มันเป็นเดินด้วยกันมีญาณขันก็มีรับทราบได้ยินเสียงมันว่าไงเวทนาขันเทศไม่เทศมันก็เป็นทั้งมันนั่งก็เป็นนอนอยู่มันก็เป็นส่วนหน้ามีแต่ทุกเวทนาสูงไหนหนีในรูปขันนี่ นิมนต์ท่านจบเลยพอไปถึงท่านนมนต์ท่านไปนัทำให้อมหาบัวไปเรื่อยคอยไม่ไปว่อี๋โ้นิมนต์แย้วนี่ท่านบอกว่าท่านพระเดชคุณไม่ไปแล้วท่านไม่ไปเอองั้นเลรอเอางั้นไปท่านไม่เทศมีแต่เราเนาะเทศท่านจะคุณทําไม่เทศเลยถ้าไปกับเราแล้วทําไม่เทศ ไ, ไหนตั้ง็จเอาเราไปเนี่ยนั้นนั่นคนมาใหม่ศาลานี่จนแน่นแล้วพัฒน็ให้เราละเทศยมีเราพูดถึงเรื่องถาดขันมันดีปีห้าร้อยสองปีสองบันห้าร้อยสอง คนมากก็อธิเพื่อเปิดหูเปิดตาคนไม่ว่าเปิดเต็มที่น่าจะเป็นร้อยสามสิบร้อยสี่สิบแต่แม่ธรรมาสูงนะให้พอดีพอเหมาะ ก, กับพื้นเพของคนเรายังไม่ถึงถุ่งพุ่งพุ่ ง, งจำได้จะมาทั้งเวลา เร่งของมันนะพอจวนกลางเข้าไปแล้วเร่งเร่งแล้วเร่งจนกระทังเหมือนปืนกลนชั่วโมงสองนาทีจบแล้วดูในกาเหิอนิดแตกเปียกมดเลยหย่อนไม่รู้รื่ไม่รู้เรื่องนะนู่นนะังหินไม่ได้ออกมานี่อยู่ในไม่สนใจกับอะไรก็อะไรข้างนอก ธรมแต่ความรู้กับธรรมสัมผัสกันยับยักยับผุ่มผุ่มสิ่ถึงทําให้ได้คิดตอนนี้ผู้หญิงคนอ่ะเทศจบลงแล้วพประกาสิบถามเนื้นนอหลวงพ่อวันดีนี่เพราะเป็นคนสําคัญอยู่น้องคอมานมเกี่ยวกับเรื่องศาสนาเป็นหัวเรียวหัวแรงอะไรทุกอย่าง วันนีเล่าให้ฟังคุณพ่อวันนี้เราถึงทราบสิทธิ์ถามท่านอาจารย์โนีิมาจากไหนนะจะบอกว่าตั้งแต่เกิดมาเลยนะเป็นพัญญาอธิบดีสารบอกว่าตั้งแต่ฉันเกิดมาฉันเพิ่งได้ฟังเทศวันนี้ถึงใจอยู่ว่าอาจารย์โนีิมาจากไหน่ะ ถามไปกระซิบถามเพราะอาจารย์มาบัวมาจากวัดป่าบรรตาศโอ้โหก็ได้ยินชื่อท่านูแต่ไม่เคยได้ยินวันนี้ได้ฟังแล้วเดืฟังดูที่ยังไม่รู้ว่าท่านคือพระชื่อว่าไงมาถึงใจแล้วเป็นวันนี้เนี่ยกว่าที่ฟังทั้งหลายทั้งหลายฟังมา เขาก็ไม่อยากพูดเรองว่าเรื่ศาสนาเรื่องธรรมก็อย่างนั้นวากอย่างนั้นมันไม่ไถึงใจไม่ถึงใจวันนี้ถึงอยู่แล้ววันนี้ถึงจริงๆหรอกเดี๋ยวเดี๋ยวนี้มันยังสว่างเลยจิตว่ะแตกเลยนะแกพูดเท่านเทศน์หมุนก็เนี่ติวติวจิตจิตมันก็ก็ยิ่มรับกันนี่รับกันนี้ เราก็ไม่เคยขาดรเราไม่เคยเป็นแต่มันนักเป็นเองในธรรมท่านที่เข้ามาในจิตวางนั้นนะกระแสเสียงกระแสเทศกระแสธรรมข้านี่เลยเพลินอยู่กับนันเลยไม่ออกไปไหนไยจิตว่างนั่นนะถ้ตรงไหนถูกหมดถูกหมดถูกหมดจิตมันยอมรับยอมรับยอมรับเลยมีแต่ยอมรับท่าเดียวเลยเพลินอยู่กับความยอมรับว่างนั้น พูดนะวันพ่อวันดีฟังแตะกาศยพูดกันโอ้ั่นจบง่ายแล้วเกิดยังเพินอยู่เลยวั <c oughs> วนูุีิจะเอาท่านในเทศยิ่งให้ได้หรอว่างงั้นนะพอดีตอนเช้ามาคุณอ ด, ดีมาเล่าให้เราฟังเราท่านจะคุณฟังด้วยท่านจะคุณแล้วก็ยืมแล้วออกแต่นั้นกับตอบปัญหาอ่ะเ้อ ก็บอกเรื่องตอบปัญหานี่กพี่ลึกก็ถึงใจเลยนะทำไมอาจารย์นี่ทำไมถึงพูดแปลกนักวะแกพูดของแกเองนั่นตอนปัญหาก็แปลกวะเท็ก็แปลกเหมือนพูดนี้จะเอาท่านในเท็ด ใ, ให้ได้พอตอนเช้า ว, ว่าฉันเสร็จแล้วแกก็เป็นผู้พูดเลยขออนุโมนอาจารย์เทขอท่านเจ้าคุณ เปนคุณเพาไม่ได้แล้วจเจ้ามหาวัวไปหนุ่นไปเทศเท่าเทนนั่นวะฉันเสร็จแล้วหนึ่งไปอันว่างมันเลยไม่ได้เทศจริงนะพรฉันสรจแล้วไ ป, ไปเทศเท้าเทนนั่นก็ไปอีแบบนั่นท่านจุกคุณไม่เคยได้ยินผมเทศแบบนั่นผมก็ไม่เคยเทศ เพราะตามตัวฐานที่บุคคลกานเท็จไม่ใช่แค่สุ่มสี่ห้าอันนั้นก็ออกเหมือนกันอยู่นะหากไม่เร็วครที่แบบพกแบบขันคนหัวเราะขึ้นลั่นไปหมดแล้วนั้นเราก็ไม่เคยเท็จเที่แบบนั้นมันเป็นพวกนี้พวกบ้าบักบ้าเบอร์นั่นอะ ทีเ่เรื่องบัตรเรื่มมองเบี่มันมีเรื่องประกอบประกอบนี่ขบขันขบขันขบขั น, ขขนแล้วท่านเจ้าคุณมันเริ่มหัวละตั้งแต่เริ่มเทปเพราเราเริ่มแล้วตั้งแต่คืนจนกระทั่งจบเราลงจากธรรมานยงมาแล้วท่านยังหัวเละอยู่จนไม่รลืมหูลืมตาน้ําตา หัวเหรู watering, ้ก <gar>, ็ไม่เคยเห็นตั้งหัวเหรอขนาดนั้นแะ้ผมก็ไม่เคยเทศอย่างนั้นด้วยลงมาลงมาหมาบัวเท่นี่ก็เป็นหรือบัวบัวฮะหมาบัวเท่นี่ก็เป็นหรือวิ่งอันน่ะค่อยเกือบตายบัวเนี่ยค่อยหัวเหรอตั้งแต่เจ้าเริ่มเทศด้วยแล้วทุกคนมาเคยดีเจากเทศอย่างนี้มันมันขบอกขันเอานังไหนค่อยก็ไม่เคยดีพูดทั้งพูดทั้งหัวเหรออยู่นั่น มาตามทางนั่งรถมาทั้งตุ้หัวหลองกันมาเงี้ยหัวโขันแต่วันนี้เจ้าเทพน่ะบันตั้งแต่นั่นมาเลยเป็นเหมือนกับว่าเป็นนิมิตกระนามนอันหนึ่งพอพอเห็นหน้าแล้วแล้วท่านจะขึ้นนี้ก่อนเลยหมาบัวเทอนี่ก็เป็นว่ะแล้วถึงจะพูดเรื่องอื่นทำไมเจอกันที่แรกต้องเป็นอย่างนี้ก่อนออืหมาบัวเทอนี่ก็เป็นว่ะ ท่นไม่เคยได้ินเราก็ไม่เคยเท่นเท่นแบบขนาดนั้นนะแบบคนหัวเลาะหกขันมันต้องมีข้อประกอบนี้อะไรต้องมากมันมีแต่อย่างครบขันครบขันคนคนเรื่องคนก็หัวเลาะกันเต็มที่เหมือนกันนี่ไม่ใช่แต่ท่านจกคุณนนพะพอเริ่มจะจะหยุดนี่นิมนต์ก่อนนิมนต์ดี๋วก่อนนิมนต์ยวก่อนคนนั่นนงเสียดายมุ่งสนใจ เกินั้นรู้จะร่วมชั่วโมงกันหากไม่เทิเเร่งเหมือนเทิอยู่นครธนงอย่างนั้นเทศดเทิดตามสรานที่บุคคลไม่ใช่แต่ไปงานก็จะเทศดไปเลยผู้ตามหลักความันยิงก็กความมองตรงนี้มันก็เหมือนกับพระราชทานพรภูมิาจโลกาแล้วมองเทศแบบไหน ผมมองควมนั่มติว่มันบอกในตัวนั้นเสร็จอันนั้นไม่ได้ขึ้นธรรมะขั้นสูงเลยนะไปตัวลังเบลังบ่ายตลอดพอพวกนี้ปกหปักปกเบอปกบ่าจริงแต่มันจะไปธรรมะไปสูงมันไม่ได้บอกมันเป็นเองพุ่งเลยเลย เอานี้ไม่มายุ่งเลยแล้วก็เทศสะดวกด้วยตอนนั้นผาดขันมันดีเสียงสดใสแกวแกวเะยมาเที่ยวับตุวนันนะโอ้โมันเป็นคนลับคนเทศไปเหนื่อยไปดี๋ยวนี้อ <c oughs> ทุกข้วริาธรรมของพระพุทธเจ้าตั้งแต่พื้นพื้นแห่งธรรม จนถึงวิสุทธิธรรมธรรมเหล่านี้เราจะไปหาไปคนที่ไหนไม่พบไม่เจอไม่มีทางสัมผัสได้นอกจากใจดวงเดียวนี้เท่านั้นเพราะฉะนั้นธรรมกับใจจึงเป็นของคู่เสี่ยงกัน เป็นลำดับลำดาแห่งการปรับใจของตัวเองให้เหมาะกับธรรมขั้นนั้นๆแล้วเราจะได้เห็นความแปลกประหลาดของธรรมที่สัมผัสใจและสถิตยอยู่กับใจเมื่อมาเป็นสมบัติของตนแล้วไปโดยลำดับลำดา ทำท่านสอนลงไม่สอนลงที่ไหนโลกกระดังที่พวกเราทั้งหลายได้รู้ได้เห็นอยู่นี่แหละว่ากว้างแสนกว้างหรือกว้างขนาดไหนไม่มีใครที่จะคํานวณได้แต่ทานั้นแม้จะกว้างละเยียดขนาดไหนก็ไม่มีที่ไหลลงไม่มีที่จอดที่แวะ ไม่มีที่สถิตนอกจากใจเท่านั้นที่ทมจะเข้าสัมปัสสัมพันธ์จะสถิตอยู่ได้มีใจอันเดียวใจท่านใจเราใจสัตว์ใจบุคคลตามขั้นตามภูมิของใจของอุปนิสัย ทมจึงลงสู่จุดเดียวนี้และมีธรรมชาติคือความรู้ได้แก่ใจอันเดียวนี้เท่านั้นที่จะรับทราบทมทั้งหลายได้เพราะฉะนั้นท่านจึงสอนลงที่ใจที่ใจ ในธรรมท่านก็บอกแล้วเป็นบาลีว่ามนุปพังคมาธรรมามนโศศามนุสิทามโนมายานั่นคือสิ่งทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นประธานสาเร็จแลว้วด้วยใจแม้ทมทั้งหลายก็รวมลงอยู่ที่ใจนี้ท่านจึงสอนให้ชำระแต่เวลานี้ทำไมใจจริงไม่รู้ทั้งทั้งที่ทามีอยู่ตั้งแต่การไหนไหนมา จนกำหนดกดเจนไม่ได้ว่าธรรมนี้มีมาตั้งแต่เมื่อไร่เช่นเดียวกับโลกมีมาแต่เมื่อไร่นั่นเองเราก็ยังทราบไม่ได้เพราะจิตนี้รู้มันไม่ได้รู้เข้าสู่จุดแห่งธรรมจึงไม่ได้สัมผัสธรรมไม่ได้รู้เพื่อจะสั่งสมธรรมให้เป็นครั้งของธรรมให้เป็นที่สถิต ข, ของธรรม กับโกงเงนข้ามมันสอบมันแสวงหาสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยเข้ามาสู่จิตใจสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยก็คือสิ่งที่เป็นข้าศึกกับธรรมในศัพท์ของศาสนาท่านให้ชื่อว่ากิเลสเนะี่ยคำว่ากิเลสเพียงอย่างเดียวเท่านั้นก็กับเทือนไปหมดในความเป็นภัยแห่งธรรมหรือความเป็นภัยกับธรรมทั้งหลาย ใจที่ไม่สามารถจะรับทราบธรรมตั้งแต่ขั้นพื้นพื้นจ น, นกระทั่งถึงวิสุทธิธรรมที่เป็นธรรมเหนือโลกสุดฉีดสุดแดนไม่มีประมาทก็มีอย่างนี้แหละหลงแล้วนะจับไม่ถูกแล้วก็เพราะจิตของเรา ไม่ได้ไปในแนวทางหรือไม่ได้ปรับตัวไปแนวทางแห่งธรรมขันนั้นนั้นมันมีแต่สิ่งที่เป็นค่าศึกซึ่งฝังแน่นอยู่ภายในจิตของเรามากกว่าธรรมที่จะซึมซาบเข้ามาได้เป็นผู้บงการกระดิกออกมาในแง่ใดความกระดิกออกมาก็ถูกผลักดันออกมาจากธรรมชาติที่มีกําลังฝังอยู่ภายในจิตใจนั้น เพราะฉะนั้นใจความรู้ของใจจะรู้มาตั้งกับใรกันในก็าตามจนกระทั่งปัจจุบันนี้ตั้งแต่วันเกิดมาถึงเดี๋ยวนี้ก็มีการเจาะการแสวงการสั่งสมสิ่งที่เป็นภัยโดยหลักธรรมชาติที่ดยอัตโนมัติมากกว่า ท, ที่จะเาะที่จะแสวงหาอัจหาธรรมทั้งหลาย แม้การสองแสงหาธรรมมีอยู่ก็เป็นการเป็นเวลาในขณะที่ถูกบังคับด้วยความจงใจปฏิบัติธรรมบำเพ็ญธรรมทำบุญให้ทานไปเท่านั้นพอสิ่งจากขณะนั้นไปแล้วสิ่งที่เป็นภัยนั้ น, น, นมันก็ทำงานของมันเป็นตาอัตโนมัติไปโดยลำดับ เช่นดังที่เคยเป็นมาแล้วตั้งกับตั้งกันและจะเป็นไปอีกเช่นนั้นถ้าอำนาจแห่งธรรมไม่เหนือกว่านี่จึงเป็นสิ่งที่ลำบากสำหรับสัตว์ทั้งหลายถ้าไม่มีผู้แนะแนวทางให้รู้ให้เข้าใจในวิธีสอแสวงหาในวิธีบำเพ็ญธรรมเข้าสู่ใจ คือกุศลธรรมเป็นสำคัญเข้าสู่ใจใจจะไม่มีช่องมีทางได้สัมผัสสัมพันธ์กับธรรมและได้ไม่เป็นช่องแห่งการไหลามาแห่งธรรมเพราะความประพฤติเพื่อกุศลธรรมนั่นเลยจะมีตั้งแต่ทางไหลเข้าและบรรตุอยู่เต็มไปหมดภายในใจดวงเดียวนี้ โลกจึงได้รับความทุกข์เพราะเหตุที่เองคำว่าโลกก็หมายถึงจิตวิญญาณของแต่ละดวงละดวงนี่เป็นของสําคัญมากยิ่งกว่าวัตถุอื่นใดที่จะให้ชื่อเขาว่าเป็นโลกเป็นสงสารเพราะสิ่งเหล่านั้นเขาไม่มีความหมายในตัวของเขาเลยดินเราก็ให้ชื่อให้นามแก่เขาว่าเขาเป็นดิน ว่าเขาเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟเป็นอากาศธาตุหรือเป็นแร่ธาตุต่างๆนี่ตั้งแต่มนุษย์เรานี่ไปให้ชื่อให้นามไปสำคัญมั่นหมายเขาว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้และว่าเป็นโลกความจริงเขาไม่ทร้างความหมายของเราของเขาเลยว่าเขาเป็นอะไรจึงไม่เป็นข้อหนักแน่นที่เราจะนำมาพูดว่าโลก ยิ่งกว่าจิตวิญญาณของแต่ละดวงดวงแห่งสัตว์ทั้งหลายเต็มอยู่ในโลกธาตุนี้นี่ล่ละผู้ได้รับความสุขก็ดีรับความทุกข์ก็ดีได้รับบาปรับบุญก็ดีคือจิตนี้เป็นสำคัญเพราะนั้นคำว่าทุกข์จึงหมายถึงจิตแต่ละดวงละดวงมีจีตล้านล้านดวงกว็าตาม ก็ไม่ท้นที่ทุกจะต้องไปปลูกบ้านปลูกเดือนอยู่ในจิตดวงนั้นๆต้องมีด้วยกันทุกดวงขึ้นชีวัตกิเลสมีอยู่ในนั้นแล้วทุกต้องมีอยู่ในนั้นตามส่วนของวิเลสที่มีมากมีน้อยแม้เป็นผู้มีปณิสัยสามารถที่จะบรรลุธรรมได้อยู่แต่ก็ไม่ท้นที่ พิเจะฝังอยู่ในเวลานั้นซึ่งยังไม่ได้บรรลุธรรมถึงขั้นสูงสุดแล้วก็จะต้องได้รับความทุกข์อยู่โดยดีเนี่ยธรรมของผู้เจ้าท่านสอนโลกให้ถึงทราบว่าสอนหัวใจสัตว์สั่งสอนหัวใจสัตว์ปลดเปลื่องหัวใจสัตว์ชำระล้างหัวใจสัตว์ที่โสกปกโสมมไปด้วยสิ่งที่จะให้ได้รับความทุกข์ความทรมานเพราะใจสกรกรก ไม่ได้เหมือนกินทั้งหลายโสกโุกนั่นเขาไม่มีความหมายอะไรโสกโุกไม่โสกโปกเขาก็ไม่เป็นทุกข์แต่ใจที่โสกโุกด้วยอํานาจของวิเลตันหาฝังจมอยู่ภายในนี้เป็นทุกข์มากน้อยตามส่วนของวิเลตนั่นแหละท่านจึงเรียกว่ากองทุกข์โลกนี้เป็นทุกข์ก็ต้องหมายถึงจิตใจของแต่ละดวงละดวงเป็นทุกข์การ ตรัสสรธรรมก็ตรัสสรู้ที่ดวงใจของพระพุทธเจ้าในบางตนแล้วก็นำมาประกาศสอนโลกซึ่งเต็มไปด้วยกองทุกข์หรือสอนโลกทันเป็นแหล่งแห่งความทุกข์ทั้งหลายตั้งอยู่ได้จากจิตใจของัต์โลกแต่และดวงและดวง ผู้ที่มีความสามารถที่จะรับทราบได้ในธรรมทั้งหลายพระองค์ก่อแนะนำสั่งสอนตามขั้นตามภูมิของตนของตนเป็นลำดับมาตั้งแต่วันตรัสราลูแล้วจนกระทั่งป ร, ป ร, รนิพานเฉพาะพระพุทธเจ้าของเหล่านี้ยังประทานพระโอวาทคำสั่งสอนคือแนวทางหรือวันน้ำ ไว้สำหรับชาล้างสิ่งที่สะกะปรกอยู่ภายในจิตใจของสัตว์ไว้ตั้งห้าพันปียังไม่ได้สิ้นสุดยุติไปตามการปรินิพานของพระองค์เลยก็เพราะพระเมตตานั่นเองเหตุที่จะเมตตาเพราะอะไรเพราะความทุกข์ความทรมาน ดังที่สัตว์ทั้งหลายได้รับกันอยู่เรื่อยมาตั้งแต่กับไหนกันใด น, นั้นพระองค์เป็นพระองค์หนึ่งที่ได้เคยสัมผัสสัมพันธ์ได้รับความทุกข์ความทรมานมาเช่นเดียวกับสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นโดยไม่มีทางสงสัยความทุกข์นั้นเป็นเครื่องบีบบังคับของสัตว์ในภพนั้นๆ้นมา มากน้อยเพียงไรความทุกข์ของพระองค์ที่กำลังท่องเตี้ยอยู่ในวัตะสงสารก็ย่อมต้องสัมผัสก็ย่อมสัมผัสสัมพันธ์ความทุกข์มากน้อยเช่นเดียวกับสัตว์ทั้งหลายนั้นเมื่อพระองค์ได้หลุดพ้นออกไปแล้วโทษแห่งความเป็นมาของพระองค์มีมากขนาดไหนโทษแห่งความเป็นมาของสัตว์ทั้งหลายก็เป็นฉะนั้น แล้วจึงมีพระเมตตาอย่างเต็มสัดเต็มส่วนเพราะความเห็นโทษในจนิ่งเหล่านั้นแล้วสั่งสอนสัตว์โลกเต็มพระไถยซึ่งเต็มไปด้วยพระเมตตาล้วนลวนไม่ได้สั่งสอนธรรมดาธรรมดาเหมือนเราทั้งหลายสั่งสอนกัน เหมือนโลกทั้งหลายสั่งสอนกันเหมือนคนมีทิ่เลิทั้งหลายสั่งสอนกันเพราะผู้สิ้นทิ่เลิอันเป็นตัวภัยสําคัญนั้นย่อมผ่านภัยจากกิ่เลิมาแล้วต่อพูทธเจ้าของเราก็เรียกว่าเต็มพระไถ่พระสาวกอรหัตดรหันทั้งหลายก็เต็มใจคือประสบมาแล้วอย่างเต็มหัวใจ ยึงต้องได้เห็นโทษเต็มหัวใจเช่นเดียวกันนั้นแม้จะทุกเหล่านี้เพราะกิเลสเป็นเครื่องสั่งสมทุกขึ้นมานั้นอยู่ในหัวใจดวงใดๆใยด่อมจะต้องเป็นทุกข์เหมือนกันนี้หมดเราธรรมองค์ทรมานเคยทรมานชั้นใดทรมานมาเพราะกิเลสบีบบังคับหรือบีบบีสีไปมาชั้นใด สัตว์ทั้งหลายก็เป็นฉันนั้นสัตว์ทั้งหลายเป็นฉันใดพระองค์ก็เคยเป็นฉันนั้นมาด้วยกันจึงต้องเมื่อได้พ้นคาว่าพ้นทุกนี้ไม่เพียงแต่ว่าพ้นมาเฉยๆดังที่ดังที่เขาพ้นจากคุกจากตารางมาเขาก็ม่เห็นนีเสียดยิสุอะไรท่าพ้นธรรมดาอย่างนี้พ้นมาก็มาเป็นคนสามัญทั่วไปเหมือนโลกทั้งหลายเป็นแต่เพียงว่า สังคมยอมรับว่าเป็นคนธรรมดาสามัญไม่ได้เป็นคนขี้คุกขี้ตารางที่สังคมดังเกียดเหมือนอยู่ในเรือนจำนั้นเท่านั้นเมื่อนออกมาแล้วก็ไม่เห็นมีดีกรีอะไรความสุขเพราะการออกมาจากเรือนจาก็เพียงไม่ถูกกดขี่บังคับทั้งทางร่างกายและจิตใจเท่านั้นและความรู้สึกที่ว่าตนเป็นนักโทษนี่ก็ จางหายไปแต่ที่เป็นแผลเป็นอยู่ในนั้นว่าเคยเป็นนักโทษนั้นย่อมฝังใจอย่างลึกอยู่เมื่อเป็นฉะนั้นแม้ออกมาจากเรือนจำแล้วก็จะมีความสุขความวดีเสกยีสูตต่างจากคนทั้งหลายไปอย่างไรบ้างไม่ได้มีอะไรต่างกันส่วนพระพุทธเจ้าได้หลุดพ้นจากทุกนี้ เมื่อหลุดพ้นจากทุกข์แล้วยังมีบรมสุขเป็นเครื่องรับรองพระไทยของพระพุทธเจา้าด้วยความบริสุทธิ์ใจด้วยพระไัยที่บริสุทธิ์ความสุขอันนี้เป็นเครื่องรับรองเป็นเครื่องยืนยันเป็นเครื่องเสริมให้เด่นที่สุดเหนือโลกสงสารที่ว่ายอดโลกุตธรรมก็คือใจที่บริสุทธิ์ธรรมที่บริสุทธิ์ครองกัน เป็นบรมสุขดังที่ท่านว่านิพพานังประมังสุข u k h นั่นค่ะมาว่าปร a n g s p a r a m a n นอยู่กับใจของท่านผู้บริสุทธิ์หลุดพ้นจากกิเลสโดยประการทั้งปวงแล้วท่านทรงความสุขอันนี้อย่างสมบูรณ์ที่โลกทั้งหลายมีกิเลสไม่สามารถที่จะครองได้เลยไม่สามารถที่จะได้สวยเลยเพราะฉะนั้นเวลากา พระ อ, องค์ประกาศทำสั่งสอนโลกจึงสั่งสอนลงอย่างเน้นหนะักในเรื่องโทษทั้งหลายก็ถึงพระไทยเพราะพระ อ, องค์เคยผ่านมาแล้วไม่มีทางไม่มีที่สงสัยความหลุดพ้นจากทุกข์ทั้งหลายพระ อ, องค์ก็ครองอยู่แล้วเป็นยังไงความหลุดพ้นจากทุกขจากกิเลสนั้นเป็นความสุขอย่างไรบ้างสิ่งที่รับรองยืนยัน ในความดุดพ้นนั้นก็คือปรามังสุขขังนี่พระองค์ก็ทรงไว้อย่างเต็มพระทัยแล้วเหตุได้การสั่งสอนสัตว์โลกจะสั่งสอนธรรมดาสามัญเหล่านั้นเป็นไปไม่ได้ต้องถ้าเป็นภาษาตลาดเรียกว่าเราว่าเป็นประยางสุขเกลียงสุดความสามารถที่จะสั่งสอนสัตว์โลกได้มากน้อยเพียงไร ให้เห็นโทษจริงๆเพราะโทษมีจริงๆอย่างนั้นพระองค์ได้ถ่านมาแล้วพระองค์เป็นสักขีพยานแห่งความทุกข์ทั้งหลายแห่งนรกทั้งหลายเพราะพระพุทธเจ้าเมื่อเป็นสามัญชนธรรมดาเหมือนโลกทั่วๆไปย่อมความรู้สึกก็ย่อมเป็นรู้ความรู้สึกสามัญสํานึกธรรมดาย่อมทําได้ทั้งบาปทั้งบุญทั้งขุนทั้งโทษมากน้อย เช่นเดียวกับสัตว์ทั่วไปเมื่อเป็นเช่นนั้นทมไม่ลําเอียงวิบา ก, กรรมไม่ลําเอียงต้องได้เสวยทุกข์มากน้อยตามกรรมของตนที่ทำมาแล้วเหมือนกับสามันชนทั่วไปเมื่อเป็นเช่นนั้นเหตุใดท่านจะไม่ตกนรกหมกไหมไม่ว่าลุ้มใดแห่งนรกเพราะเกิดแล้วตายตายแล้วเกิดด้วยอำนาจยัง วัตจักรวัตจิตนี้พาให้หมุนให้เวียนและกิเลสเนี่ยยังไม่แพงหมูอย่างนั้นยังเป็นสาเหตุให้ทำกรรมแล้วให้เสวยความทุกข์ความทรมานมาเป็นลำดับลำ ด, ดาอีกด้วยนานขนาดไหนนับไม่ได้เมื่อเป็นเช่นนั้นทำมาไมพระพุทธเจ้าตั้งแต่สมัยเป็นคนสามัญธรรมดา เหมือนสัตว์โลกทั่วไปจะไม่ตกนรกลุมไหนจะเว้นได้อย่างไงเพราะเกิดแล้วตายเล่านับมาได้มากต่อมากก็คือจิตวิญญาณที่เต็มไปได้วยความเกิดความตายของสัตว์โลกเอาอะไรไปแข่งในโลกนี้เราเอ า, เอาวัตถุอะไรไปแข่งจิตวิญญาณแม่ดวงเดียวเท่านั้นการเกิดต่างการตายของจิตวิญญาณานั้นมากขนาดไหนยังไม่มีอะไรสามารถไปนับไปแข่งได้เลย ว่าเหนือนั้นมากยิ่งกว่าการเกิดการตายของกิจติยาดมวัตถุนั้นๆมากกว่าอย่างนี้มีไม่ได้เพราะอันนี้มีมานานเท่าไหร่น่นแล้วพระพุทธเจ้าเวลาเป็นสามัญชนธรรมดาก็สามัญชนเขาเป็นชั้นใดพระองค์ก็เป็นชั้นนั้นเมือ่อเป็นอย น, นั้นก็ต้องตกนโลกชั้นนั้นเหมือนกันหลุมใดก็หลุมเถึกขึ้นชื่อว่าบาปแล้วจะไม่ไว้หน้าไข่ไม่ลำเอียง ขึ้นเชือกี่เหรียแล้วก็ไม่ไว้หน้าไขรให้ทำกรรมได้โดยไม่ต้องสงสัยแล้วก็เป็นผลของกรรมมาได้เช่นเดียวกันหมดเรียวกว่าทั่วหน้ากันจึงต้องรับความทุกข์ความลำบากความทรมานในนรกหลุมต่างๆมีกี่หลุมก็ตามไม่มีเย้นที่จะไม่ตกนรกในสัตว์รายหนึ่งหนึ่งตกด้วยกันทั้งนัง้น ใสวรรค์ชั้นพรมก็เหมือนกันเว้นแต่พรหมโลกที่ก้าขึ้นไปแล้วผ่านไปเลยดังสุดทาวารห้าชั้นนอกจากนั้นอายุจะ ก, กี่หมื่นปีดังที่ท่านกล่าวไว้ในตำอัตตำหลาว่าเจ็ดหมื่นปีแปดหมืนปีวินาทีกินไปนาทีกินไปชั่วโมงกินไปก็หมดก็สิ้นแล้วก็หมุนลงมานี่อ ย, ยกว่าเป็นวัตจักอยู่เหมือนกันและนานขนาดไหน นี่พูดถึงเรื่องความมากแห่งการเกิดการตายมากแห่งความทุกข์ความทรมานของสัตว์ที่ติดแนบอยู่กับจิตปัจจัยกับภ ก, กชาตินั้นๆไม่มีประมาณเลยนี่พระพุทธเจ้าทรงประมวลมาเห็นหมดรู้หมดแล้วเหตุใดการสั่งสอนโลกจะสั่งสอนธรรมดาต้องสั่งสอนอย่างเต็มที่เนฐานเต็มพระกำลังความสามารถของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์พระองค์นันแหละ และนอกจากนั้นยังหยิบยกสิ่งที่วิเศษวิโสเพราะการพ้นจากทุกโดยประการทั้งปวงพ้นจากกิเลสโดยประการทั้งปวงแล้วขึ้นสู่วิมุตติธรรมให้เห็นธรรมที่เลิศเดินี้อีกเป็นเป็นรางวัลสําหรับผู้ที่หลุดพ้นจากทุกข์โดยประการทั้งปวงเพราะกิเลสสิ้นซากไปแล้วจะต้องเป็นผู้ครองวิมุตธรรมวิมุติธรรมวิสุทธิธรรม นี่เป็นบรมสุขเสมอหน้ากันไปหมดนะเพราะฉะนั้นพระองค์จึงได้นํามาสแสดงมาท้าทายทั้งสองอย่างคือทุกเพราะอะไรเพราะรกิเลสก็ทรงสแสดงให้สัตว์ทั้งหลายทราบอย่างถึงใจทุกเพราะอะไรที่แบบบรมสุขเพราะอะไรเพราะรกิเลสสิ้นทราบไป ไม่มีสิ่งใดมาก่อกวนไม่มีสิ่งใดมายุย่หแย่ไม่มีสิ่งใดมาทำลายไม่มีสิ่งใดมาบีบบังคับจิตใจนี้ให้เป็นเหมือนอย่างที่แล้วแล้วมาที่ที่เลส ย, ยังเป็นเจ้าอำนาจคองหัวใจอยู่ทำเป็นเจ้าอำนาจท่านไม่ได้บีบบังคับใครจึงเป็นบรมสุขได้ด้วยธรรมคองใจที่ทำที่บริสุทธิ์คลองใจนี่การแนะนำสั่งสอนสารโลก พระองค์สอนลงที่ใจเพราะใจนี้เป็นแหล่งแห่งทุกข์ใจนี้เป็นครังแห่งทุกข์ไม่มีสิ่งใดในโลกนี้จะกว้างแสนกว้างขนาดไหนก็ตามไม่มีที่สถิตของทุกข์ไม่มีที่สถิตของกิเลสที่อยู่ของเจตอันเป็นสิ่งบีบบังคับสัตว์ทั้งหลายให้รับให้ต้องทําอย่างนั้นได้รับความทุกข์ความทรมานอย่างนี้มีใจนี้เท่านั้นมีใจนี้เท่านั้นแล้วในสามแดนโลกฐานนี้กิตติวิญญาณมีมากขนาดไหน หากว่าเรามีญาณแล้วจะจนจะหาทางก้าวเดินไปมาได้ถ้าสิ่งเอนั้นเป็นวัตถุจิตวิญญาณแต่ละดวงนั่ดวงเป็นวัตถุแล้วเราจะก้าวไปที่ไหนจะไม่โดนจิตริญญาณของสัตว์โลกที่หมุนเยี่ยนเกิดแก่เจิดตายเพร่ำหน้าแห่งกิเลสเป็นเจน้าอำนาจบีบบังคับอยู่นี้ไม่ให้โผล่หลุดให้พ้นไปได้เนี่ยต็มอยู่ในสามแดนโลกฐานนี้มันไม่น่าสรดสังเวชจนหัวใจจะพังนั่นเหรอนี่ พระุธเจ้าท่านเห็นท่านเห็นอย่างนั้นลองลงมาก็คือพระรหันท่านเห็นแต่ท่านไม่หิวไม่โหวยว่าท่านรู้ท่านเห็นท่านจะประกาศอวดโลกอวดสงสารเหมือนดังกิเลสที่มันเป็นนักโอ้นักปวดท่านจึงอยู่อย่างสบายสบายด้วยความพอดิบพอดีไม่หิวไม่โหย ค, คือคือความอิ่มทําภายในใจเมื่อถึงการถึงเวลาที่ควรจะพูด เพื่อเป็นประโยชน์หนักปามากน้อยเกี่ยงไรท่านก็นำออกเองนำออกเองดังพระพุทธเจ้าของเราสอนโลกนี่โลกไหนนี่แม้แต่บุคคลก็เหมือนกันบุคคลใดภูมิใดสถานที่ใดที่ควรจะเทศนาว่าการประการใดแบบใดกับบุคคลใดบ้างพระองค์ทรงนำออกมาให้พอเหมาะพอสมกับจดิบยิสัยของผู้นั้นๆจะรับประโยชน์ไปไม่ได้นาออกมาแบบทรามพ้าง สี่สูมห้าเหมือนอย่างผู้ที่มืดดำกาตาด้วยที่เหลือเลย น, นี่พูดถึงเรื่องความมากของกล่องถูกเมื่อพระพุทธเจ้าทรงเห็นอย่างชัดเจนแล้วจึงต้องสอนโลกให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยอย่างนี้แล้วยกที่สุดที่ทำขึ้นเป็นรางวัลให้เห็นปรากฏอยู่ว่า น, นี่นะ่ะ ความดูดพ้นแล้วเป็นอย่างนี้ประหนึ่งว่าให้เห็นอยู่ด้วยตาของเราความได้รับความทุกข์ความทรมานมากน้อยอย่างไรท่านกับประมวลมาว่าอย่าสงสัยว่าเราเป็นเจ้าของแห่งรัฐถาคตเป็นเจ้าของแห่งทุกข์หรือเป็นทำนบใหญ่ที่รับความทุกข์แต่อย่างเดียวยิตธวิญญาณดวงใดก็ตามเหมือนกันนี้หมดป่ะหนึ่งว่าอย่างนั้นอย่าสงสัยอย่าพากันสงสัยเรื่องการเกิดการตายนี้แต่เรื่องการ หากการหามกองทุกขมากน้อยอยู่โดยลําดับลาดาไม่มีการเว้นเลยเพราะวิบากกรรมมันอยู่ที่หัวใจสัตว์ออกจากภพนี้วิบากกรรมมันไม่ได้ออกจากกิตติดแน่ไปกับใจต้องไปเกิดได้เสวยความทุกข์ความทมานมีสุขมากน้อยก็เคยมีบุญมากน้อยก็ต้องหนึ่งได้รับสับปนกันไปจัดโลกจึงมีทั้งสุขทั้งทุกข์เกี่ยปนกันไปเพราะ ไม่ได้ทำแต่บาปอย่างเดียวบุญก็ทำบาปก็ทำเป็นแต่เพียงว่าเปลี่ยนวาระกันที่จะให้ความสุขความทุกข์แทรกเข้าไปในจิตดวงเดียวนั้นซึ่งเป็นเจ้าของแห่งกรรมนั้นๆเท่านั้นนี่เป็นหลักธรรมชาติแห่งความจริงเพราะฉะนั้นจิตตวิญญาณนี่เป็นจริงเป็นธรรมชาติที่ลี้ลับมากที่สุด ธรรมดาสามัญเหล่านี้จะไม่ทราบได้เลยและไม่ทราบความจริงของจิตวิญญาณอย่านี้ว่าเดินแถวไหนไปยังไงมาอย่างไงความเป็นไปของจิตวิญญาณนี้ไปยังไงมาอย่างไรทั้งๆที่มีอยู่กับตัวของเรานี่ก็ถูกปิดถูกกั้นมาเรื่อยอย่างที่เรามาถึงพบนี้เวลานี้เราก็ทราบได้แต่เพียงว่าเราเป็นมนุษย์ซึ่งเป็นชื่อหนึ่งนามหนึ่งในสมมุติของสัตว์ทั่วโลกเท่านั้นว่าเราเป็นสัตว์มนุษย์ แล้วก่อนนี้เราเคยเป็นอะไรเราก็ไม่ทราบเพียงอันดับที่ต่อกันมานี้เท่านั้นสองชาติเท่านี้ชาติปัจจุบันนี้กับชาติที่ผ่านมาอย่างเมื่อวานนี้ตายเมื่อวานนี้มาเกิดอันนี้วนันนี้แล้วเมื่อวานนี้เป็นภพใดเกิดเป็นสัตว์ประเภทดาวิเทบุตรเทวดาตนใดไม่ทราบนั่นนี่แหละมันปิดมันกั้นมาพร้อมๆเรื่องของกิเลสเองเป็นสิ่งที่ละเอียดแล้มคมมากไม่ให้รู้เรื่องของมัน มันจึงได้ครองโลกของสงสารมาบรรดาจิตวิญญาณดวงใดๆเย้นแต่พระพุทธเจ้าพระปฏิยพระพุทธเจ้าพระหันฐานเท่านั้นที่เหนือเงื้อมือของมันไปมันไม่อาจเอื่อมได้นอกจากนั้นเป็นจเจ้าอํานาจครอบงํำไม้หมดก็ครอบงําด้วยวิธีนี้เองไม่ว่าจะอากับกิริยาใดที่แสดงออกกลมายาของมันที่เป็นสิ่งที่จะ ปิดบังคับหรือเป็นสิ่งที่จะปิดกั้นปิดหูปิดตาของจิตวิญญาณตรง น, งนั้นไม่เห็นโทษของมันนั้นอะ่ะมีเป็นลําดับลําดาทุกอาการที่แสดงออกมาปิดไว้พร้อมปิดไว้พร้อมหมดจนกระทั่งพบชาติเป็นสิ่งที่เกิดอย่างเปิดเผยอย่างที่เราเห็นนี่เราไม่เกิดเราจะรู้ได้ไงว่าเราเป็นอะไรนี่เปิดเผยไหมแต่ที่ลี้ลับก็คือที่ผ่านมาแล้วมันไม่ให้เห็นไม่ให้รู้เนี่ย ตลอดถึงสาเหตุที่จะพาให้เกิดมาเป็นนั่นเป็นนี้นี่นมันก็ไม่รู้เนยเราจรึงไม่รู้เราจรึงนอนใจทุกขนาดไหนก็ไม่ทราบว่าเป็นความนอนใจหรือ น, นอนจมมันหนักจมหักเป็นมาอย่างนี้อย่างนี้เรื่อยไปถ้าไม่มีธรรมเป็นเครื่อง ส, ส, สองมองทะลุให้เห็นโทษของของมันแล้วเห็นคุณค่าของธรรมแล้วจะท่านจะ ก, ก้าวถ้าไม่มีธรรมอย่างนี้แล้วก้าวไม่ออกไม่ก้าวไม่สนใจจะ ก, ก้าว ก็ เ, เหมือนอย่างสัตว์ที่ถูกขังอยู่ในหม้อในอะไรก็แล้วแต่เนี่ยันก็อยู่อย่างนั้นภาษามันมันไม่รู้ถึงเวลาก็โยนลงในหมอลล้อน้ําร้อนต่างตัวต่างดิ้นแล้วก็หมดความสืบต่อคือตายเท่านั้นเองเนี่ยที่พูดถึงเรื่องจิตวิญญาณสลับมีความสลับซับซ้อนเราเป็นนักเกิดมกตายแต่เราไม่ทราบความเกิดความตายของเราเราเป็นนักท่องเที่ยวแต่เราไม่ เราเราไม่สามารถอาจเอื่อมที่จะทราบความเป็นมาของเราว่าเป็นมาอย่างไรทั้งดีทั้งชั่วทั้งสุขทั้งทุกข์ซึ่งเกิดปนกันมาทั้งหมันแต่ทุกข์อรมสุขยังไม่มีเราก็ยังไม่ทราบเงียบสลับซับซ้อนไหมจิตวิญญาณนี้ลับใหม่เพราะฉะนั้นจึงต้องมีศาสนามีธรรมมีศาสนาก็ตามถ้าไม่นํามาเปิดไม่นํา มาใชา้มานำมาแก้มาถอดมาถอนก็ม่ ม, มีทางทราบได้เหมือนกันท่านจึงสอนให้ปฏิบัติอย่างปริญาท่านสอนไว้เป็นยังไงอวิชชาปาัิญาสร้างคาราท่านก็บอกไว้อย่างเปิดเผยสําหรับท่านผู้รู้เต็มพระไทัยแล้วคือพระพุทธเจ้าท่านไม่สงสัยอะไรแล้วว่าเรื่องการเกิดเกิดมาเพราะอะไรเนี่ยกเกิดมาเพราะอย่างที่ว่าอาวิชชาปัาิญานี่เมื่อท่านเห็นแล้วท่านก็พูดได้ตามภาษาเราพูดได้อย่างเต็มปากที่นิ่สันโลกใครพูดได้ Blue สิ่งนี้ทั้งๆที่สิ่งเหล่านี้มีอยู่กับทุกคนแต่ก็ไม่รู้ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นอะไรมีหนำซ้ำยังไปเหมาอีกว่าสิ่งเหล่านี้ก็เป็นเราก็เป็นของเราเรากับสิ่งเหล่านี้ก็แยกกันไม่ออกก็ไม่สนใจที่จะแก้กันแยกกันสุดท้ายเรากับธรรมชาติที่เป็นพืเรนพายก็อยู่ด้วยกันมาเรื่อยมาอย่างที่เป็นมาแล้วนี้และจะอยู่ด้วยกันเป็นอันเดียวอันหนึ่งอันเดียวกันตลอดไปกี่พบกี่ชาติไม่นับเช่นเดียวกับนับมาได้ที่ผ่านมาแล้วนั่นแหละ ถ้าไม่มีทําเป็นเครื่องสอดเครื่องแทรกเข้าไปยังต้องมีปฏิบัติปริญาตได้เกิ่การศึกษาเรียนเขียนทิศทางเดินหรือแบบแปลนแผนผังมาอย่างเรียบร้อยแล้วปฏิบัติคิดตั้งหน้าทําหน้าที่ดําเนินจิตการของตนที่ได้วาดเขียนทิศทางเดินไว้เรียบร้อยแล้วนั้นให้ถูกต้องตามเขียนทิศทางเดินหรือตามแบบแปลนแผนผังแล้วจะเสด็จขึ้นมาเรื่อยๆ เช่นสมาธิธรรมซึ่งเราเคยได้ยินแต่ชื่อในตำหนักตำ ล, ตลาองค์ของสมาธิจริงๆเราไม่เคยเห็นก็จะเห็นและเห็นรู้ที่ใจของเราผู้ปฏิบัติเป็นท่านสอนให้ภาวนาเพื่อสมถะธรรมสอนอย่างไรในกรรมาฐานสี่สิบด้วยแน่ตั้งแต่เป็นธรรมเครื่องก่อบเก่าจิตใจให้เข้าสู่ความสงบเพื่อเป็นสมถะธรรมสมถะจิตทั้งนั้น เมื่อเราได้ทำตามนั้นแล้วก็ต้องได้ปรากฏผลขึ้นมาจนได้หยีดไม่เคยสงบก็สงบเมื่อทำตามแบบแปลนๆทำให้ระมัดระวังรักษาใจนี่ระวังด้วยอะไรก็ระวังด้วยสติสติจริงเป็นของสำคัญนี่ก็เป็นเขียนทิดเป็นแบบแนหนึง่งบีบบังคับเอาไว้ยาเผล อ, อให้ตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติกมจัดความ ทุ้งซ่านําขานด้วยสติอยู่กับตัวคําบริกรรมเป็นเครื่องเกาะของจิตยาปล่อยอยาวาง น, นานถาปฏิบัติเมื่อเราดําเนินไปอย่างที่ที่กล่าวหรือที่เรียนรู้มานั้นใจยังไงก็ไม่พ้นความสงบจะสงบจนได้จนกระทั่งปรากฏเป็นความสงบขึ้นมาอ๋อนี่ความสงบเป็นอย่างนี้เนื้อสมาธิเป็นอย่างนี้นานรู้แล้วรู้ที่ใจที่นี่ ชื่ออยู่ที่ตำหรับตําลาเพราะท่านผู้ผู้ที่รู้ท่านนําออกจากใจนําออกจากพระไทยของท่านมาแสดงไว้แล้วประจดใจลึกกันตามเขใส่คมภีบาลานเอาไว้ก็เราจรึงต้องไปอ่านมีแต่ชื่อเท่านั้นไม่ได้มีตัวถ้าต้องการองค์จริงตัวจริงๆก็ต้องปฏิบัติตามนั้นแล้วจะพ้นใจของเราผู้เป็นตัวจริงที่จะทรงอัดทรงทำทุกประเภทไว้ได้อย่างไรต้องปรากฏที่ใจของเราหนะัก เมื่อเราได้อบรมจิตของเราตามแปลงที่ท่านสอนนี้จิตไม่เคยสงบก็สงบเอาสงบขนาดไหนเมื่อทาไม่หยุดไม่ยัง้งทาอยู่ไม่หยุดไม่ถอยเสริมส่องถะคือความสงบใจเข้าไปมากๆสงบข้มากแล้วก็เด่นดวงเป็นสมาธิเต็มภูมิเห็นแล้วชัดเจนไม่สงสัยหนักพูดถึงเรื่องปัญญาท่านว่ายังไงท่านสอนนิยนาทางด้านปัญญาปัญญามีอะไรเป็นทางเดิน มีอนิจจังทุกขกาตามีอสุภาษณอสุพังสิ่งเหล่วนี้มีอยู่ที่ไหนก้อนอื่นก็มีอยู่ที่ตัวของเราอสุภาษณ์สุพังร่างกายนี้เป็นทองตั้งแท่งมาจากไหนมันก็เป็นเนื้อเป็นหนังเป็นอสุภาษณสุพัง์่าช้าผีดิบเราดีๆเต็มอยู่ในร่างกายของเราเป็นแต่เพียงว่าหนังบา ง, บางๆเท่านั้นแหละมันปิดแต่วันนี้เราก็หลงเมื่อเรายั ง, งโง่อยู่เราก็ไม่เห็นของจริง ที่ท่านมาอาศุพาอสุฟังเป็นยงไงมันเต็มอยู่ในตัวของเราเนี่ย แ, แต่เราไม่เห็นปฏิเสธได้ยังไงว่าสิ่งเหล่า น, นี้ไม่มีแต่มันไม่เห็นจะว่ายางไงน่ะจึงต้องได้ใช้ปัญญาพินิจพิจารณาอันนี้จัง อ, อสุภาอาศุฟังก็เห็นมันก็เห็นแน่แน่ไม่สงสัยถ้าพิจารณาตามผู้เจ้าสอนไว้แล้วนี่ตามหลักธรรมตามแปลนที่ท่านสอนมาแล้วเพราะสิ่งเหล่า น, นี้มีอยู่มันไม่เห็นก็ขึ้นอยู่กับ ใจของเราขึ้นอยู่กับปัญญาของเราหรือขึ้นอยู่กับตาของเรามันไม่เห็นสิ่งนั้นมีอยู่เอาดูถ้ามไม่ใช่คนตาบอดแล้วยังไงก็จะเจอนะ่ะอาจจะเจอจนได้นี่ปัญญาก็เหมือนกันพินิจพิจารณาหลายครั้งหลายหนหลายตลบทบทวนเข้าสู่ความจริงเข้าสู่ความจริงพิจารณาเมื่อไรก็เข้าสู่ความจริงคือร่างกายของเหล่านี้เข้าสู่ภายนอกออกเข้าสู่ภายในออกมาภายนอกกุมวนแน่ตั้งแต่เดิน กรรมฐานในวงปฏิปุณป่าช้าพ่ดิบเยี่ยมป่าช้าอยู่ภายในตัวของเหล่านี้นานเข้านานเข้าก็เจี่ยมออกมาเจี่ยมออกมาชัดออกมาชัดออกมาทีนี้ก็เต็มในตัวของเราความรู้อันนี้อยู่ในท่ากลางแห่งป่าช้าพิดิบนานมันชัดแล้วทีนี้อ๋อความรู้อันนี้เป็นเป็นอย่างนี้เด่นดวงแต่ก็อยู่ในท่ากลางแห่งป่าช้าพิดิบคือร่างกายของเหล่านี้มันอยู่ในท่ากลางแห่งป่าช้าพิดิบที่ยังไม่ตายนี้เรียกว่าป่าช้าพิดิบ มันก็เห็นชัดเจนจากนั้นจะพิจารณาเป็นอ น, นิจจังเอาไปในแง่อะไรก็ไม่พ้นจากธรมธรมชาติป่าชาผีดิบนี่จะแปรสภาพให้เห็นอย่างชาัดเจนอืมทุกขังก็บีบบังคับกันอยู่ที่นี่อนัตาถือเอาสาระอันไรได้ก็ปราช้าผีดิบก็รู้กันอยู่แนละ้วปัญญาอย่างไปถึงนั่ น, น, นเรียกว่าปัญญาสอดแทรกลงไปสอดแทงอ๋อปัญญาเป็นอย่างนี้เมื่อปัญญาได้เข้าถึงไหนเข้าถึงไหน อุปทานความยึดมั่นถือมั่นความสาคัญว่านั่นเป็นเรานี้เป็นของเรานั่นเป็นของสวยของงามมันจะจางลงไปจางไปความจริงนี่จะเด่นขึ้นเหนื่ขึ้นความจริงคืออะไรก็ตามความจริงนะไม่ได้งามอะไรนี่ยิ่งใหญ่มันหลอกตั้งหกักหลอกเราเล่าโง่แล้วก็ติดเพราะเรายังไม่มีเครื่องต่อสู้หรือเครื่องช้าล้างมันก็ไม่เห็นความจริงเมื่อเราช้าเราล้างด้วยด้วยปัญญาหลายครั้งหลายหนมันก็เห็นเป็นความจริงขึ้นมานี่ปัญญาก็ปรากฏขึ้นแล้วที่นี้ อ๋อปัญญาในตำรานั้นคือคือปัญญานี่คือชื่อนี่ปัญญาแท้องค์ของปัญญาแท้เป็นอย่างนี้เอาปัญญาขั้นใดปรากฏขึ้นในตัวของเรานี้เป็นสรรคิติโกประกาศกลงวานอยู่ภายในตัวนี้ปัญญาขั้นนี้สามารถแก้กิเลสประเภทประเภทนั้นได้ปัญญาขั้นนั้นแก้กิเลสกิเลสประเภทนั้นปัญญาขั้นนั้นแก้เป็นั้นเพราะมันแก้ไปโดยลำดับทบีนี้ก็มาคำนวณย้อนหลังมาอ๋อปัญญาขั้นนี้แก้อย่างนั้นปัญญาขั้นนั้นแก่อย่างนั้น ไปครั้งหน้ามีแตชุนละมุนวุ่นวายฟาดกันไปจนกระทั่งกิเลสพังลงไปพังลงไปปัญญาแจ่มขึ้นไปแจ่มขึ้นไปนานปัญญาก็เห็นที่ใจของเราเน่จนกระทั่งปัญญามีความเปลี่ยงไกลก้าวเข้าสู่มหาสิมัญมหาปัญญาก้าวเข้าสู่ภาวนามัญญปัญญาซึ่งเป็นธรรมชาติที่หมุนตัวโดยอัตโนมัติเช่นเดียวกับกิเลสที่มันมีอำนาจ มาแต่ก่อนมันเคยหมุนตัวของมันทํางานของมันสั่งสมตัวของมันอยู่บนหัวใจของเรานั่นแหละเมื่อสติปัญญาขั้นนี้มีกําลังสามารถแล้วก็เป็นเป็นสติปัญญาอตโนมัติหมุนตัวเพื่อแก้เพื่อถอดถอนกิเลสอยู่บนหัวใจนี้ออกไปโดยลําดับลําดาไม่มีคําว่าหยุดยั้งไม่มีคำว่ำาจะต้องไปถูกบังคับเพราะเป็นอัตโนมัติแล้วนอกจากจะได้ล้างเอาไว้ พราะจะเลยความพอดีเช่นเพลินในการพินิจพิจารณาจนลืมหลับลืมนอนเหน็ดเหน่อยเมื่อลาก็มีแต่จะเอาจะเอา น, น, นั่นเลยพอดีท่านพักซะก่อนตามหลักปริญญาท่านก็มีอพักอะไรพักเข้าสมาธิสองอบใจงา น, นเรียกว่าพักงานประการหนึหน่งประการที่สองพักหลับนอนนะพอจิตมีกําลังแล้วถอยออกมาทํางานได้แก่การพินิจิจารณาเนี่ยปัญญาประเภทนี้จะหมุนตัวติวติว้ว เป็นอัตโนมัติบนหัวใจทีนี้ปัญญาประเภทนี้ทํางานบนหัวใจแทนกิเลสที่เคยทํางานมาแต่ก่อนกิเลสอับเฉาลงไปหมอกราบลงไปหมอบราบลงไปเรื่อยๆปัญญานี้เกลี่ยไกลเรื่อยคลองอํานาจเรื่ยอยๆทีนี้ต่อจากนั้นแต่ก็อักิเดตตัวไหนเก่งก็ให้ออกมานั่นถ้าเราจะพูดเป็นภาษาของเราเป็นอย่างนั้นแต่ในขณะนั้นไม่ได้พูดอย่างนั้นมันทังนี้แต่เรื่องขยับที่จะฟัดจากฟันกัน คำว่ามหาสติมหาปัญญาก็คือสติปัญญาอัตโนมัตินี่เองมีความชํำนิํานานแกล้วกล้าสามารถก็กลายเป็นมหาสติปัญญาจากนั้นไปเราอยากจะพูดอีกเราก็พูดไม่ได้ที่เป็นความละเอียดลราออที่สุดเหมือนกระดัษซึมเหมือนน้ําำซับน้ําซึมอะไรอันนั้นก็เอามหาสติมหาปัญญานี้ครอบเสียก็หมดปัญหาไปใครเป็นใครก็รู้เองในทำคันนี้ ปัญสติปัญญาคันนี้มันเหมือนกับคําที่จะว่ายานก็เหมือนกับว่าอาดเอื้อมเกินไปลพอละเอียดขนาดมันก้าวจากอัตโนมปัญสติปัญญาอัตนมัติเข้าสู่มหาสติปัญญาข้านมหาสติปัญญามันก็รู้ว่ามันไม่ได้เผลอทั้งวันทั้งคืนตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจนกทั่งถึงหลับเผลอเมื่อไรขนาดใดไม่เคยมีนี่ก็ทราบไลยชัดว่าเป็นมหาสติปัญญาแต่ที่ละเอียดยิ่งกว่านั้นน่ะตามเจ็บตามกอด ที่เหลยอประเภทอนุสัยอนุสัยที่มันมีอยู่ละเอียดแล้วอขนาดไหนสติปัญญาประเภทละเอียดแล้วอนี่ตามล้างตามแาลนกันช้ากันจนเพี่ยงไปเพี่ยงไปหมดไปหมดไปนี่ไม่ทราบว่าเป็นปัญญาประเภทใดขอให้ผู้ปฏิบัติพิจารณาให้มันเป็นในตัวเองนั่นแหละจะจะเข้าถึงนองโอ้อออย่างนี้เองอ๋ออย่างนี้เอ ง, อองน่ะท่านว่า ปัญญาที่แบบละเอียดลงไปนั้นแต่พูดไม่ได้มันคือปัญญาประเภทอ๋ออย่างนี้เองพูดไม่ได้แต่รู้ได้แน่รู้ได้เต็มหัวใจแต่พูดไม่ได้มันก็รู้ที่นี้คิเลยตัวไหนมันจะละเอียดเหลมคมยิ่งกว่าปัญญาประเภทนี้เพราะปัญญาประเภทนี้คอยที่จะช้าจะล่างตลอดเวลาจนกระทั่งเกลี้ยงหมดไม่มีอะไรเหลืออวิชชาปัญญาสร้างขาา้าราพังทลายไปแล้วสติปัญญาประเภทนี้ก็ยุติลงเองโดยหลักธรรมชาติทั้งตนโดย ต, ตัวนิมิตเหมือนกันไม่มีต้อง ถูกบีดถูกบังคับให้หยุดท่ายัง้งเหมือนแต่ก่อนนั่นนี่เป็นยังไงว่าปัญญาประเภทใดก็มาปรากฏในหัวใจเรานี้แล้วเรื่องของท่านหมุดดูดทนก็ปรากฏในหัวใจนี้เต็มหัวใจแล้วสงสัยอะไรทีนี้นี่พิธีคำมาบรมสุขเป็นยังไงก็เต็มไ่ในหัวใจดวงที่บริสุทธิ์นี้แล้วสงสัยอะไรนี่ละเป็นเครื่องยืนยันของพระพุทธเจ้าที่ประกาศโลกสอนโลกให้รู้โทษของมันประสาคตได้ผ่านมาอย่างนั้นประหนึ่งว่าเป็นอย่างนี้ แล้วทําสิ่งที่บริสุทธิ์ที่หลุดพ้นจากกีเด็กทั้งหลายมาแล้ววิเศษอย่างนี้อย่างนี้ดังสถาคตเป็นอยู่นั้นก็ประนึินว่าจะเป็นอย่างนั้นนี่แหละการสอนโลกจึิงสอนด้วยความท้าทายผู้ต้องการความจริงอยู่แล้วทําไมจะไม่รู้ไม่เห็นความจริงเพราะมีอยู่กับหัวใจของทุกคนอริยสัจมีอยู่ที่ตรงไหนมากษัตริมีที่อยนั้น ทิ้งที่จะหลุดพ้นเพราะอำนาจแห่งมรรคสัจเป็นเครื่องกันกรองคืออะไรคือจิต ท, ที่บริสุทธิ์จะหลุดออกมาจากตรงนั้นจะอยู่ที่ไหนก็อยู่ในวงอริยสัจนั่นรู้ที่ตรงนั้นแล้วหายสงสัยนี่แหละจิตวิ ญ, ญญาณดวงนี้เองดวงที่เคยเกิกเกดเจ็บเจ็บตายหมุนมากี่พวกกี่ชาตินับกี่กับกี่กันไม่ได้เลยมาถึงจุดนี้แล้วขาดสะปั้นลงไปเหมือนกับว่าหยุดตึกเลยไม่มีอะไรที่จะมาหมุนให เป็นไปต่อไปอยูได้แล้วเรียวกว่าวัตจัจจวัตกิจวัตจักรหมดแล้วเพราะสิ่งเหล่านี้คืออวิชาเป็นเครื่องหมุนอวิชาทานลงไปแล้วก็เป็นวิวัตจิตธาตุเอกไม่มูนทรงตัวอยู่ด้วยความปรามังสุขขังเท่า น, นั้นนี่การปฏิบัติธรรมธรรมเหล่านี้สดสดร้อนๆอนอยู่ในท่ามกลางร่างกายกับจิตใจของเราในท่ามกลางขันห้านี่แหละ คั้นห้านี้ยังไม่แตกสลายนี่แหละคือค้างแห่มรผลนิพพานอยู่ที่นี่นี่แหละมัชชิมาปฏิบัติภาพอดีพอดีกับความเป็นอยู่ของเราและเราเป็นผู้ปฏิบัติอยู่เวลานี้คือความพอดีการสถานที่เว ล, เวลามือเมื่อกับแท่งมันเคยผ่านมากี่กับกี่การมันเคยเอามาผลนิพพานให้ใครเคยเอากิเลสตัณหาอันใดมาเสียดมาแทงหัวใจของคนมีแต่กิเลสเท่านั้นมันเป็นเครื่องเสียดแทงหัวใจนี่เมื่อทางกิเลสลงไป หมดดยสิทเพียงแล้วอะไรจะมาเสียดแทงก็อยู่ในท่ามกลางของอริยสัจนี้ทุกขษัตริย์เป็นผลมาจากสมุทัยสัตจมตรคสัจเป็นเครื่องสังหารสมุทัยสัต์คืออวิชชานี้เป็นสมุทัยอย่างเอกยอดอสมุทัยเสื่อวิชายอดของมรคได้กแก่มหาสีมหาปัญญาพัางกันลงในนั้นแล้วไม่ต้องถามหาวิมูลจะหลุดพ้นขึ้นมาในท่ามกลางแหงอริยสัจทั้งสองประเภทนี้ ทุกสมูทายเนะี่ยนิโรธมากหนึ่งความมืดสุดจะหลุดจะพ้นขึ้นมาหรืผ่านขึ้นมาจากนั้นอันนั้นไม่ใช่อริยสัจนะอริยสัจเป็นเครื่องกันกรองอันนี้ไม่ใช่อริยสัจเพราะฉะนั้นจึงไม่จึงไม่มีคำว่าอนิจจังทุกขังนาตาสิ่งนั้นนั้นยังมีทุกขังก็มีอ น, นิจจังก็ทุกสมูทายก็มีนิโรธก็มีมากก่็มีอนนี้จังทุกขังนาตา เพราะเป็นธรรมเป็นมรรคปฏิปทาหรือเป็นสมุทยัยเป็นอิริยาบถมีอญญานิจจังทุกข์อนัตตาอยู่ในตัวของธรรมเหล่านั้นเพราะยังเป็นสมมตินเมื่อสมมุติยังมีมากน้อยแค่ใดตรายรักจะต้องมีอยู่นนั้นเพราะเป็นสมมุติเช่นเดียวกันเมื่อได้หลุดพ้นจากสมมติตัวประการทั้งปวงถึงขั้นอิมุดเต็มหัวใจแล้วพ้นแล้วจากวิสัยของสมมติทั้งหลายที่จะเอื้อมถึงเพราะฉะนั้น จิตของผู้ที่หลุดพ้นแล้วนั้นยิงไม่มีคํำมาตรไรลักษณ์ไม่มีคำมาตจากาทุกขังนาตาสุขทุกเวทนาทั้งหลายจึงเข้าไม่ถึงเพราะอันนี้เป็นสมมุติสุขเวทนาทุกเวทนาเอาเปียบเขาได้กันหนาเหล่านี้ล้วนแน่ตั้งแตเป็นสมมุติธรรมจิตนั้นเป็นจิตตะงิมุตเข้าเข้ากันได้ยังไงเข้าไม่ได้รู้เองอ๋อเป็นอย่างนี้นะเวทเวเวทนา ในของพระารไม่มีมันก็รู้เองมันก็มีแต่ในท่าในขันเจ็บนั่นปวดนี้ก็รู้แต่มันไม่สามารถเข้าไปซึมทราบถึงใจได้น่เพราะใจเป็นอาถาระที่จะสิ่งเห่นี้จะซึมทราบได้แล้วรดทนนี่พวกเราทั้งหลายฟังอยู่เวลานี้ฟังธรรมประเภทใดฟังธรรมพระพุทธเจ้าปริยพานในอินเดียได้สอง0ันรอปีนั้นแล้วเหนือ แล้วอายศาสตร์อยู่ที่มันอยู่ที่ไหนมันอยู่โน่นหรืออยู่ที่ไหนเวลานี้อายศาสตร์อยู่เมืองอินเดียนั่นเหรออยู่ที่ปริพาน์ของพระเจ้านั่นเหรออยู่ที่ปริพานธ์ของภาษาวกทั้งหลายที่ผ่านไปแล้วหลายพันปีนั่นเหรอนั่นเป็นเรื่องของท่านเรื่องของเราทรงตัวอยู่ด้วยความเป็นมัตติมาคือพอเหมาะพอดีอยู่กับความเป็นอยู่ของเราเวลานี้เราพิจารณาได้เต็มเม็ดเต็หน่วยทุกขังเรียจังปะกาศกลางวานขึ้นมาจากสมุทัยเรียจังรู้อยู่ภายในจิตใจ จะเป็นอะไรไปนั่นที่ราคสารกตาตาตาตาป็นนั้นีเส้ยที่ดังกลางรัศดาพัฒนามีพัถนาอยู่ที่ไหนนี่ละสมุไทยก็อยู่ที่หัวใจของเราแล้วก็เส้ยที่ดังขึ้นอีกเป็นเครื่องรับกันสมาธิสมาสังกปโจรึงตั้งสมาสมาธิอยู่ที่ไหนอยู่ที่ใจของเราใครเป็นผู้ปฏิบัติใครจะนํามาสังหารกิเดสกิเลสอยู่ที่ตรงไหนก็นํามาเข้ามาสังหารที่ตรงนั้นหลุดพ้นกันที่ตรงนี้ไม่ได้หลุดพ้นที่เมืองอินเดียนี่มาชิมาปฏิบัติธรรมแล้ว มรรคผลนิพพานว่าสิ้นสุดวิมุตติไปแล้วพระพุทธเจ้าปณิพันธ์ไปนานแสนนานแล้วนั่นมันคือคนตาบอดพูดมันหลับตาพูดไม่เคยภาวนาเอาภาวนามันเห็นด้วยสินะพระพุทธเจ้าท่านเวลาท่านจะปณิพานธ์ท่านบอกว่าเราจะผลมรรคนิพพานท่นานนัดไปหมดเหรือท่านบอกงั้นหรือที่เดียวทั้งทางนัดก็ไม่มีไปด้วยกันหมดเรียบพุตรเลยอย่างนั้นไม่เห็นไม่มไม่มีในคำภีรใดทุกขงังที่ต่างก็มีอยู่เต็มอยู่ในหัวใจเราเมื่อสุมทมธาสิ จ, จัอย่างมัน เมื่อมากมีกําลังนิโรธ ด, ดับวิเลจนได้ไม่สงสัยนี่มีอยู่ภายในจิตใจของเราเนีน่่จังหวะมัชชิมาจังหวะมัชชิมาพอเหมาะพอดีนั่นเป็นเรื่องของท่านนี่เป็นเรื่องของเราสุาขาธรรมตัดไว้ชอบแล้วชอบที่ไหนให้ดําเนินตามที่ท่านสอนนเองสิสุาขาธรรมไม่ได้วา่าตถาคตไปแล้วสวุสวาขาธรรมเหลวไหล น, นะท่านไม่ได้ว่าไนนะาไว้อย่างไรแล้วก็ต้องเป็นอย่างนั้นที่เรียกว่าสุาขาธรรมด้านที่ อนะท่านรับจากพระนนทถึงการที่แบบพระออนนทมีความโศกเศร้าโศกกาอะไรกับพระองค์<ม>ก็อะไรอีกให้เราสอนอะไรอีกอานนน่นนะอะแล้วไเราก็สอนหมดแล้วนี่ฟังดิก็คือเป็นลงในส่วนคาถามหมดไปก็ไปเฉพาะพระองค์เท่า น, านั้นท่านไม่ได้ก่อเกวิวมรรคผลนิพพานของผู้บําเพ็ญอยู่ไปไปด้วยอนยะ่างนี่เราปฏิบัติเราก็ปฏิบัติตัวของเราอยู่นี่ ก็เรียกว่าธรรมารุสมาปฏิปนุผู้แดนปฏิบัติทำทุมันจะทำผู้นั้นเนี่ยคือว่าผู้เป็นผู้บูชาสถาพจนก็เอาลงตรงนั้นเดยแล้วผูรณาเห็นธรรมพราะนั้นเห็นเราสถาพจกล้เห็นที่ว่าตั้งแต่ขั้นสมาธิไปอืสมาธิเป็นยังไงก็เห็นอ๋อนี่พระพุทธเจ้าเคยเห็นมาแล้วเคยรู้มาแล้วนี่ก็เห็นเนีสมาธิทุกขั้นพระพุทธเจ้ารู้ชั้นใดเราก็รู้แล้วปัญญาอ้าวถึงขั้นไหนขั้นจนถึงขั้น พังกิเลสจนหมดพระพุทธเจ้าพังได้ชั้นใดเราก็พังราษนะนั้นนี่เราเห็นพระพุทธเจ้าเห็นรนรสาขุพุท้เห็นธรรมเพราะนั้นเห็นเราสาขุเริ่มเห็นไปตั้งแต่สมาธิก้าไปโดยลาดับนาะจนกระทั่งมีมุดดูดพ้นเห็นพระพุทธเจ้าเต็มพระองค์เลยอ่าอย่าว่าพุทธเห็นธรรมพราะนั้นเห็นเราสาขุเห็นเป็นลําดับลําดาบจนกระทั่งถึงมีมุดดุดพ้นออมเนี่ยเพียงเท่านั้นสันติโกประกาศกังวันเป็นเาราสุดท้ายเต็มหัวใจถามไข่ แม้พระพุทธเจ้าท่านประทับอยู่ตรงหน้าเรานี้ก็ไปทูลถา ม, ถามท่านทําไมสันติโกเป็นธรรมที่มีฤทธิ์มีเดชประทานมาแล้วทุกหักวใจของผู้ปฏิบัตินี่นะถ้างั้นผู้อยากไม่ศักดิ์สิทธิ์ละสิพระพุทธเจ้านิพพานแล้วสันติโกทางทลายไปแล้วบางท่าผู้ปฏิบัติดีไม่อยู่ฟุ้ที่จะรับทราบความจริงของตัวเองไม่รับทราบนี่นี่มนไม่ได้เป็นอย่างนั้นสันติโกเต็มติดแนบอยู่กับการปฏิบัติอ้าปฏิบัติไปเถิด มากน้อยอย่างไรจะลูกขึ้นกับตัวกับตัวกับตั ว, ตวน่ะแล้วก็สงสัยถามพรทธเจ้าหาอะไรนี่หายตั้งใจไปพุทปฏิบตัติหนีตกวิจารทั้งเรื่องการต่อพฤทธปฏิบัติของหมู่ของคณะค่อยเดียวลงไปแล้มลงไปกุดลงไปด่วนลงไปอันไหนที่ให้ระมัดระวงังอันไหนให้กล้าให้ให้กลัวมันกลับกล้าอันไหนให้กล้ากับกลัวไปอย่างนั้นไม่สนใจนี่ละาศาสนาเสื่อมให้ดูองค์ใจเรานะ่ะ เราจะไปดูว่าพระุทธเจ้าปฏิพันธ์แล้วศาสนาเสื่อมมันเสื่อมมีที่หัวใจนี่คนลงนรกพระพุทธเจ้ายังทรงพชนอยู่สัตว์ทั้งหลายตกนรกได้สบายๆมันไม่เสื่อมมันตกนรกได้ไงไม่มีความเชื่อตกนรกไงผู้ไปสวรรค์ก็เหมือนกันพระพุทธเจ้าปฏิพันธ์แล้วก็ยังไปได้อย่าว่าจะไปในขณะที่พระุทธเจ้ายังทรงพชนอยู่นั่นเลยพระองค์ปริิพานธ์ไปแล้วผู้มีความดีก็า่อมไปสวรรค์ปริิพานธ์ได้เช่นเดียวกับพระองค์ยังมีชีวิตอยู่ทรงพระชนอยู่นั่นแหละทำความเข้าใจอย่างนี้ดีกับตนจะสมกับว่าทํา นั้นท่านสอนลงที่หัวใจของเราผู้มุ่งต่ออาตต่อธรรมมุ่งต่อมั่งต่อผลจะได้รู้ได้เห็นประจักษ์ใจของตัวเองด้วยการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนี้ไม่เฉลียใสอยู่ให้มันในภูมิใจในตัวเองในความเพียรของเหล่านั่งยืนเดินนอนให้ได้ภาคภูมิใจกัของเพียรนอของกว่ ควเพียรดีสติดีปัญญาดีระมัดระวังก็ของดีตลอดเวลานั่นแหละเป็นที่ภูมิใจของผู้นัน้นไม่ว่าียาบทใดอะไรที่มีคุณค่ามากที่กว่าหัวใจนี้ว่ะและโทษมากที่สุดก็พ่อหัวใจนี้ขาดความเอาใจใส่ขาดความดูแลรักษาทอดทิ้งก็กลายเป็นของหาคุณค่าหาราคาไม่ได้จมนในในรกเอเีไรที่ไหนก็ตามขึ้นชื่อหัวใจที่ทรงไว้ ซึงความละามกจกเกิดแล้วมันจะมีตั้งแต่ปืนจากไฟเผาไหมา้กเ็เวลานั้นแหละเนล่ยไปถามหานากลุมไหนลุงไหนให้ดูหัวใจเจ้าของกับไฟที่เหลวตันหาอาสวะกับไฟความชัวช่วช้าละามกที่มันเผาอยู่ในหัวใจนั้นมันก็รู้เองไฟจนไม่เผาทีา่ไหนไฟอันนี้เผาที่หัวใจดูหัวใจมันก่อนเลยแต่ใจของเรามีความสงบร่มเย็นนี่เอาแล้วเริ่มแล้วเห็นแล้วความถูกอยู่ตรงนี้นะมีระมัดระวังอย่างนั้นคือผู้ปฏิบัติ เลียวไปเลียวไปเลียวไปฮ้กดลงไปด้วนลงไปมันจะ ม, มีอะไรเหลือนะก็ไม่ทราบจะอยู่ได้อยู่เพื่ออะไรอยู่ไม่มีความหมายายไม่มีความหมายเป็นไม่มีความหมายตายไม่มีความหมายหมดคุณค่าหมดสาระที่จะเป็นที่ภูมิใจของตัวเองถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วยังไม่ตายก็ตามเถอะมันก็คือคนตายแล้วนั่นแหละหาสาระไม่ได้ พนจากอัตภาพนี้แล้วแล้วมันก็หาสาระม่ได้เช่นเดียวกับที่มีอัตภาพนี้มันยังมีมันยงหาสาระไมได้นั่นเองนั่นก็เป็นแบบเดียวกันธรรมะของมูนีจ้างนี้ประกาศกังวานอยู่ในผู้ปฏิบัติผู้ปฏิบัติไม่ไม่ต้องไปพูดพูดทําไมชาดิร์ฉันเขาไม่ปฏิบัติเขาสนใจแล้วกับมรรคผลนิพพานผู้ปฏิบัติมันก็ทํานองเดียวกันนั้นอย่าไปสนใจอย่ามาฟัง ยาฟังปากโซ ก, กับปกฟังตากเป็นอัดเป็นธรรมฟังตากที่สะอาดแหลมคมอย่างเหมือนพระพุทธเจ้าสินี่เสียงอัดเสียงธรรมเป็นเสียงที่สว่างกระจ่างแจ้งนำคนงู้ให้ฉลาดนําคนทุกข์ให้มีรับความสุขความสบายคือธรรมของพระพุทธเจ้าฟังเสียงธรรมกรองตามธรรมปฏิบัติตามธรรมอย่าไปฟังเสียงปากลมปากแหลงปากโซ ก, กับตกโซมุมปากอมขี้มาพูด พ่นไปที่ไหนมีแต่เหม็นคลุ้งไปหมดหนังปากอมขี้ขี้โลคขี้โกรธขี้หลมมันก็ออกมาจากหัวใจแล้วมันก็ไหลออกมาทางปาเป็นไปได้เจ้าของไม่ตัวลูกก็เห็นมะพรุนิพานแล้วจะอวดรู้อวดฉลาดว่าคนนิ้พานหมดแล้วหมดแล้วมันไป ด, ด้วยความารู้ความฉลาดมาจากไหนมันถึงว่ามะพรุนิพานหมดก็ตัวของมันเองไม่ปฏิบัติมันจะเอาอะไรมาจากไหนมันก็เอาพูดออกมาจากความโง่เจ้าของประกาศขายความโง่เจ้าของอถ้าเจไิญเฉยคนอื่นจะไม่รู้ว่าคนนี้งโง่ขนาดไหน เมื่อประกาศออกมางั้นกับคนอืนเขาจะรู้เพราะคนในโลกนี้ไม่ใช่เป็นคนโง่แบบเดียวกันคนฉลาดกว่านั้นยังมีอืมาเราจนเหมือนคนบ้างมีอย่างหมีเนี่ยเราจะเข้าใจว่าเขาจะจนกับเราทั้งโลกลจะเข้าใจว่าเขาจะโง่กับเราทั้งโลกผู้ฉลาดกว่นั้นยังมีเนะี่ยเอาเหล่านี้เป็นเป็นขั้นปีเรื่องเตือนใจของหูมีก็ให้เลือกในสิ่งที่ควรฟังตามีให้เลือกในสิ่งที่ควรดู จมูกดิ้นกายอะไรสัมผัสสัมพันธ์ให้เลือกคิดเลือกอ่านในสิ่งที่จะเป <r> er ็นผลเป็นประโยชน์สิ่งใดทิ่ไม่เป็นผลประโยชน์ปัดออกปัดออกเพราะสิ่เหล่านี้มันเคยทําความเดือดร้อนไม่ร่มจมให้เกิดเราคู่เกี่ยวข้องกับมันมามากต่ามากแล้วให้ปัดออกปัดออกยาไปเคยกินถ้ามันจากจมละการเกลี้ยกล่อมสวงพลพอง่ายง่ายชะมหาฟังเช่นวันนี้ ผมไม่เทศตอนแรกมันมันมันจำไม่ได้เลยนะพราะม่นเทสดยความจำมีอะไรก็ว่าไปตามเลวพอจบแล้วหายเงียบเลยกันนี้ก็บุงเถ็ดร้อนดีอยู่นะกันนี้นะแต่สำคัญที่ผมเทศความจำที่มันจะสืบต่อกันไปไหนเนี้ย เดี๋ยวนี้มันไม่เป็นอย่างนั้นสมาร์ทมันคอยจะขาดจะหลุดไปทั้งที่ผมพูดตะกีในเวลาเทหอนันเป็นอย่นนอยงนคือว่ามันเลยลืมแล้วเน่ยลืมลเมื่อนแล้วเนี่ยความจำสัญญาขันห้าสัญญาความจำนี่นะเรื่องมีทนาถ้าเราปล่อยวางแล้วเราจะทำเรื่องมีทนาถ้าปล่อยวางไม้วทําอะไร วอจะปล่อยวางอะไรมันก็มีปัญหาอะไรสําคัญที่มันไม่ปล่อยสิเดี๋ยวนี้น่ะอ๋อมันปล่อยได้ที่มึงจะทําไงก็ให้รู้เองอ่ะนี่ไม่ปล่อยไม่ลําบากนึกว่าไม่ปล่อยมันไม่มีโครงการเหมืนน่ะปัญหาเรื่องความจริงไม่มีโครงการมันรู้ในเจ้าของเะไรเจ้าของไปเลยแต่ววันนี้ทํานี้แล้วจะทำนั้นทำนั้นโอไม่ได้นะนี่มันเป็นปริยัติไปแล้วไม่ได้ถ้าปฏิบัติเพราะฉะนั้นผมที่เคยพูดเสมอว่าถ้าผมไม่ได้เรียนเขาจะว่าผมเป็น ภาพผีบ้านั้นมันพูดออกนอกแบบที่ว่านะแต่เอาลองปฏิบัติดูสินาว่านี่เลยที่นี่นะ่ะพขาเรียนเราเรียนมาแล้วเป็นอยังไงนั้นเราเข้าใจแล้วนี่เวลาเาปฏิบัติมันจะอย่างนี้นี่แน่มันก็เข้าใจมันเป็นอย่างนั้นอันนี้เหมือนกันมีเป็นภาพปฏิบัติที่ว่าเมื่อมันรักทุกเวทนาแล้วมันจะเป็นยังไงนี่ผมคิดว่าจะเวลารักเวทนาเราจะเอาสัญญาสำคัญยาอย่าไปอย่าไปยุ่งนั่นนะักเท่านี้ว่าเป็นเรื่องนำดับนั้นเป็นปริญาต่อนั้าน่ะทําอย่างนั้นน่าจะไปทำอย่างนั้น มันเกี่ยวโยงกันอยู่อนี้อ่ะอย่างอายศัสตร์ตี ถ, ถ, ถ้าถ้าถ้าตามปริยัติถ้าต้องพูดแบบนั้นไหมฮะมันจะอ่านออกได้ไงเขียนจ้ำมังกรลงไปมันจะอ่านออกได้ไงก็ต้องเขียนเรียงลาดับลำดังไปทุกสมุทยนิโรธมากเหมือนนั่นว่าเมื่อทํางานกําหนดรู ท, ทุกแล้วจึงจะออะไรเจียงเ จ, จียงจะละสมุทรไทยแล้วจียงเจีทําโทษให้แจ้งจะบําเพ็ญมากให้เกิด มันจะเป็นอย่างงั้นเข้าใจไหมละ่ะมีปริยัตนะที่นี่ทางภาคปฏิบัตินะทุกข์ให้มันเกิดขึ้นมาจากอะไรนันทุกทุกพึงกำหนดรู้น่ะนี่แหละกำหนดรู้รูอย่างนี้เองทุกข์มันเกิดขึ้นมาจากอะไรนันมันยิ่งหาสมุทัยนะแล้วคําที่จอลงไปนี่ทุกข์มันเกิดขึ้นมาในนี่นะปัญญามาพร้อมกัแล้วนันรู้ไหมมันเป็นอย่างงั้นเนาะมันทํางานในเกี่ยวโยงกันภาคปฏิบัติเป็นอย่างนั้นทั้งหลาที่ปริญัติเราก็เป็นอย่างนั้นเราเรียนมาด้วยกันไม่ว่าท่านมาใครล่ะ มันก็ไปอย่างนั้นบานเวลาปฏิบัติแล้วมันวิ่งเข้าถึงกันหมดเกี่ยวโยงกันเลยผนจะค้นหาปัญญาฮะคื<า>ค้นหาปัญหาเกค้นหาอะไรท่านไปใจบ้าคือค้นหาบ้าเหมือนกิดค้าอะไรอีกบ้านมันกป็อยู่แล้วแน่ในนี่ก็อบเทศมาพอแล้วอไอ้เรื่องทุกข์สัยาที่โลรดมากอย่างที่เท็พระราบุพีตุนมันก็มีอยู่แล้วสชไหมเพราะทุกเกิด กำหนดรู้แล้วกําหนดรู้เราพิจารณาว่าทุกข์ที้เกิดมาเพราะอะไรเป็นสาเหตุนั่นเป็นเป็นปัญญาแล้นัน่ะเริ่มแล้วนั่นปัญญาจะไหวเข้าสู่จุดนั้นแล้วจุดสมุทัยนั่นมันวิ่งขงมามากันพร้อมกันพร้อมกันเพราะนั้นที่ว่าผู้ปฏิบัติเราจะไปเอาตามปริยัติที่ว่าทุกคนคนนกําหนดทุก่อกำหนดรู้กําหนดรู้ทุกข์แล้วจะไปละสมุทัยล้วไปทําุทธให้แจ้งแล้วจะทํามากให้นั้นในโลกมันจะแจ้งมาจากไหนถ้าไม่มีแน่ ถ้าถ้ายังตามลำดับนั้นแล้ว <t> ท <fluffy> ุกทุงไทยรอดมากนะเพราะนี่รอจะเพิงทําให้แจ้งแจ้งด้วยอะไรนี่รลดไม่มีอะไรมาทําให้แจ้งแจ้งได้เลยนั่นถ้าไม่ใช่มากแน่หรือถอนถุงไทยถ้าไม่ใช่มากจะเอาอะไรมาถอนทุกก็เป็นเพียงว่ามันเตือนพูดง่ายว่าเตือนจองทุกปรากฏเพิ่งกาหนดรู้น่อยเรียกว่าเตือนเตือนเราผู้เป็นเจ้าของทุกแล้วมันทุกมันเกิดขึ้นมาจากอะไรนะนั่น เรื่องเป็นสติเรื่องเป็นกรญญาน่านั่นมันเกิดขึ้นมาจากอะไรต้นเห็นมาจากไงนั่นมันก็ไล่เข้าไปก็เข้าถึงสมุทัยทีนี้เมื่อสมุทัยอ่อนตัวลงนี่โลกก็ค่อยดับตรงไปดับลงไปดับทุกข์ดับเรื่อยๆไม่ใช่ว่าดับบุบทีเดียวนะมันจะเป็นอย่างนี้นะมันจะเป็นอย่างที่เขาเียกวบากฐานสุดมันค่อยดับไปดับไปนู่นถึงเวลาสุดท้ายที่มันมันมันจะมืวนเสื่อมมันนั่นอันนั่นอันหนึ่งนะ มันจะดับพร้อมหมดเลยงานเวลาดําเนินนี่มันจะเป็นอย่างนั้นทุกนี่จะจะค่อยดับไปดับไปจางลงไปทุกเนี่ยมีมากค่อยาจางลงจางลงจางลงเรื่อยๆจนกระทั่งถึงว่าสุดท้ายม้วนเสือ่อมมันถึงจะครบกี่เดยียวหมดที่แรกต้องเป็นอย่างนั้นไปเรื่อยไม่ใช่ว่าคาว่า น, นิโรธแล้วจะดับพึบองศีลทั้งทั้งที่สมุดไทยยังนอนไม่ตื่นโอ้ ท, ทั้งทั้งที่มักยังนอนไม่ตื่นทุกประดับทุกแล้วเสร็จตาย อรหันดังนั่นเขาก็เรียกอรหันแบกแวนวอมามากยังนอนไม่ตื่นในมิรอดไปดับทุกข์ก่อนแล้วถ้าอย่างนั้นเวลาเวลาเรานั่งถ้าเกิดเจ็บตัวทุกข์ยังไม่ดับอยังไม่ตรองที่ไหนคงก็อธิบายเรื่องนี้เลยการค้นทุกข์นูอันนี้มันยากนะเรื่องเรื่องที่จะอธิบายนี่เขาอธิบายแล้วมันถ้าว่ากลัวว่าทุกข์มัน แต่เป็นอย่างนัง้นมันจะเป็นอย่างนี้แล้วลืมอยากให้ทุหายมันเป็นเรื่องของตมุทายก็ไม่ไม่ไม่ไม่ได้กลัแต่ว่าถ้ามันเราก็ดูมันเดอถ้ามันไม่ดับมันจะไม่ลืมเืองอนี้เอาแคแล้วแต่เจ้าของที่อันนั้นอ่ะคนอื่นไปบังคับได้เลยอถ้าผมไป บ, บังคับผมก็จะมัดคอติดเสาเลยเขาั้นคือเ พ, พราะจริงไม่อยากไปบังคับไม่อยากไปมัดคอใครคิดพิจารณาถ้ามันนี้มันต้องเป็นความสามารถของเรานะมันเป็นความเหมาะสมของเราเป็นความสามารถของเราที่จะ ปฏิบัติอย่างไงหนักบามากน้อยเพียงไรมันพอดีพอดีเลยสมหากับการปฏิบัติของตัวเองนะคนอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องไม่ได้อย่างนั้นเวลานั้นนะ่ะครูบาอาจารย์เป็นทจะพูนแนะเท่านั้นที่เข้าจังหวะที่ควรปฏิบัติอย่างไรมันเป็นเรื่องของเราเองโดยเฉพะาะบฉพาะนั่นอย่างที่อธิบายฟังกําหนดที่ว่าอะไรเป็นทุ่งไล่เบี้ยเข้าไปไล่หาความจริงคือจะต้องการจะกทราบความจริงเพราะความจากทราบความจริงกันมาก แต่อยากให้ทุกหายนี่เป็นสมุทัยอยากให้หายเท่าไรบัวมันยิ่งกำเริบผมเคยเแล้วนี่นะแล้วอยากให้หายเท่านั้นวิญญาตายตัวสั่นนี่หมดมันจะล่มทั้งหายเลยเพอเพราะว่าอา้าวทุกจะหายม่หายไม่สาคัญสําคัญ ท, ที่เ อ, อ่ยอยากปลูกความจริงมันเป็นยังไงอา้าวท่านว่าทุกขังอะไรสักงทุกเป็นของจริงมันจริงยังไงให้มันเห็นนพอพิจารณาไปพอถึงแล้วอ๋ออย่างนี้เองทุกเป็นของจริงนานที่เราพูดว่าเมื่อต่างอันต่างจริงแล้วไม่กระทบกัน น, ะนั่นเราจึงว่าทุกเป็นของจริงแท้ สมุทรไทยกินแท้สมุทรไทยก็ไม่ทํางานเวลานั้นถูกไล่ต้อนเข้ามาหาจิตที่หมดทั้งๆอวิชาญายังมีอยู่แต่อะสมุทรไทยไม่ทํางานเพราะถูกไล่เข้ามาไล่เข้ามาหาจิตแล้วมาหมอบอยู่ในจิตนีกเนี่ยนะความหมายว่านั้นเป็นทุกข์อันนี้เป็นทุกข์มันดับเข้าไปดับเข้าไปเมื้อกระต่างอันต่างสิ่งไอ้ไ อ, อ, อ้บักสันผ้ามันแก้นงูกั้งแบบไ มันมันชัดจริงๆนะว่าท่านถึงได้กล้าพูดไม่ไม่ได้มีใครบอกนะมันเป็นในเจ้าของเวลามันจะตายเนี่ยมันเป็นเวลาที่มันจะใช้ปัญญามากคือต้องหาทางออกเอาตัวรอดสิคนเราเวลาจะตายจริงๆนี่มันมีมันมีปัญญาจนได้มันหาทางออกอย่างไรนอนจอมนอนตายเสียได้เลยได้นั่นแหะตอนนั้นะปัญญามันเกิดถ้าพูดแตงเร่องนั้นผม หมดเวลามันเป็นอยู่ในนั้นมันจะไม่เศราจะพูดว่าไงมันมันไม่มีถอยตรงกระทั่งมันจริงอันต่างจริงเรียกนั่งเมาสจะมากสมวนว่าถ้าจิตเราไม่ลงใหญ่จะไปหมายจะไปหมายลงใหญ่ลงน้อยจะไปหมายไม่ต้องหมายมันมันจะลงไหนให้มันรู้อย่างนี้อ่ะมันจะรู้ความรู้นี้มันจะลงไปแล้วมันจะขึ้นให้มันเห็นที่นี่น่ะดูตรงนั้นนะปัจิวัตน่ะ ยังเดยวปัจจุบ so ันมันรู้อยู่ยังไงให้มันรู้อยู่เนี่เอาให้ดูกันอยู่นี่ที่หน้ากันยนี่ไม่ต้องไปต้องไปหมายว่าให้มันขึ้นหรือให้มันลงอย่างนี้นั่นเป็นความหมายแตแต่งเอาไม่ได้นะความจริงนี่แต่งไม่ได้สมาแต่งไม่ได้นะให้มันเป็นดยหลักธรรมชาติของมันเองเมื่อพอเหมาะพอดียังไงมันจะเป็นของมันเองเหมือนเราไปแต่งความอินเรยแต่งได้ไงความอินเราลับชาลงไปชั้นลงไปที่เมื่อชั้นลงไปมากน้อยอะความอินมันจะบอกของมันขึ้นมาเองหรอกเพราะมันเป็นผลของของของเหตุคือการรผ่านไง นี่กุมันกันมันจะไปยังไงก็เป็นผลอ่าแล้วจะไปแต่งผลอาแต่งเหตุฟาดกันลงให้เห็นให้เะไรมันสวยหน้าเราแต่เสียเราเปลแก่เหนแล้วอย่าไปหมายนะลงความจริงเหมือนเราไม่รู้ไม่ชิดอะไรเลยท่านอย่างนี้ผมก็มไม่ได้ลืมนะที่พ่อแม่ครูอาจารมั่นว่าผมตั้งวันแรกเลยนะนี่มันสำคัญจริอ ง, องนัเนี่ะ พรไปถึงกันแล้วก็การเรียนท่านจะทราบแล้วลว่าเราเป็นมหาจุนนั่นแหละท่านถามชื่อก็บอกบอกชื่อท่านบอกมหาบัวก็บอกนั้นแหละนพราะฉนั้นขึ้นไปาาาเขาจะเตี้ยๆนี่เวลาท่านจะเทศท่านบอกเออท่านว่าท่านหาก็เรียนมาพอสมควรจนถึงได้เป็นมหาวะแต่อย่าประมาทอย่าว่าผู้ประมาททำของฤาษีเจ้าท่านเรียนม า, ม, ามากน้อยอะไร ให้ท่านเก็บไปซก่อนท่านอย่าเอามายุ่งกันนะใ ห, ให้เล่นทางด้านจิตใจให้เพื่อความสงบของใจอย่าไปยุ่งกับตำหรักตาราที่เราเรียนมามากน้อยมันจะเข้ามายุ่งกันมันจะไม่เกิดประโยชน์ในเวลานี้ระยะนี้ยังไม่เกิดประโยชน์โน่นถึงขั้นปัญญาถึงขั้นพระญากับปฏิบัติจะวิ่งประสานกันเอาไว้ไม่อยู่ท่านล่ะนั่นท่านนี่ท่านเปิดไรถึงขั้นที่จะวิ่งประสานกันแล้วเอาไว้ไม่อยู่และจริงอย่างนั้นพอถึงขั้นปัญญาแล้ว มันวิ่งไปปฏิญาตเอา้ามันรู้ใชนไหมลูกนี้เอาหาพยะญมามันเป็นเครื่องยยันกันรับรองกันนานเอาแล้วน่าที่จะวิ่งถึงถึงถึงขนาดถึงขนั้นเอาไว้มาอยู่ท่านพูดถูกทุกอย่างอันนี้จะใช้<ะ>อันนี้จะใช้เอนนอเวลานี้เหมือนก็นไม่รู้ อ, อะไรซะ ก, ก่อนจำได้ไหมให้ยกบูชาซะ ก, ก่อนถนัดอย่าด่วนอย่าด่วนเอามายุ่งนะมันจะมาเตะมายันกั น, นมันจะไม่ได้ผล ทำเหมือนกับว่าไม่รู้อะไรมีแต่ก่กาก่อการมีแต่ฟัดกันก่การกอการเนี่นอย่เราบริกรรมหรือเร า, เราทำภาวนาอะให้มันอยู่ในจิตรู้จิตรูร้เป็นยังไงยังไงให้มันรู้อยู่นี่โดยจะไปคาดโดยหมายคาดหมายไปแต่ไงนนถูกเป็นสัญญาลงไปเลยไม่ได้มก่อขข น, นะนี่เกกันนะีน <พอ S 2> ่เวลาผ <พอ S 2> ม <พอ S 2> ไม่อยู่เนี่ยเขา<อ> พาที iner, galaxies, them, ่อยู <puede S 2> ่นี่ให้เคารพกันนะผมเข็ดผมหาักพอแล้วนะผมพูดจริงๆผมไม่ได้พูดเล่นผมเคยเกี่ยวข้องกับหมู่กับเพื่อนมาทั้งทั้งที่อยู่กับพ่อแม่กูจานก็ไม่พ้นที่เราจะได้เกี่ยวดือก้องเกี่ยวข้องกับหมู่เพื่อนเราได้เห็นได้เจอมาแล้วเราอินนาและอาไกเข็ดหนักคนไม่เคารพตนก็ต้องประกาศข้อกตเตือนคนอื่น คนเคารพทำเคารพตนแล้วจ่าไม่ก็โทรเสือนไข่ที่เล็กต้องอวดเสมอนี่ให้รู้วไว้ที่เล็กต้องชอบอวดเสมอที่เล็กต้องเป็นเครื่องยันอะไรต่อไรไม่ให้อะไรมาแตะเสมอถ้าทําแล้วเปิดโลกอาว่าม า, มานี่เราจะต้องการแต่ความจริงที่ท่นานั้นนั่นบางทีทำเอาใครว่ามาอะไรก็ตามเถิดจายิ้มเข้ามาเป็นหลักเป็นเกณฑ์นี่ทั้ทงนั้นทั้งนั้นทั้งนั้นนี่ทำถ้าไม่ทีเล็ไม่ได้ด น, นะพองขึ้นมาแล้วตัวพองขึ้นมาแล้วก็กัดกันเหมือนหมานี่ นิ้วนั้นผมไม่โอนบปงอยา่างนะยาเอาเข้ามาแทนตลาดในวงปฏิบัติในหัวใจของเราผู้ผปฏิบัตินี่เลยสุลสังเวยียนนะมันทําไม่ทราบเป็นไงกาลังมันลดวูบลงไปอีกแนะนําต่างๆห ม, มู่เพื่อน่ะผล ม, มันออกมาอย่างนั้นแล้วทำให้ลดวูบลงไปเลยดีผมไม่โดดนี้จากหมู่เพื่อนทน ถ้าสอนอย่างหนึ่งแล้วพิรำผลมาเป็นมายังอย่างก่อนอะไรอะไรเป็นเรื่องหัวโสกรรมานเป็นกังวลนะแล้วแล้วถาเราทํทาตามไอ้แบบของคนหมู่มากไปอย่างนั้นแหละคือเรื่องนี้ผมผมไม่คิดนะไอ้คิดอย่างที่นั่นล่ะไอ้คิด<ร><น>แบบที่ว่าอะไรเชื่อที่มาขอบวชพระพุทธเจ้าน ท่านาดิจิยะพาโชคที่อยากจะมาบวชต้องอยู่ปริวาสสีเดือน4ปีข้าพระโอ้ก็จะอยู่ว่าเอานั่นมาเป็นแดดฉบับเลยนะนั่นแหละหลักทำอยู่นั่นอันนี้ฉันจะทำเป็นอะไรตามกฎ ต, ตามเงื่อนเปียบของคนหมู่มากไปงั้นแหละคือเรื่องทุกอยาก่างผมกินผมผมคิดอย่างเดียวคืออยากจะาทำทำไปตามเรื่องไปงนั่นแหละ พระเท่าไหร่เน้นเท่าไหร่งานะนี่สี่ขึ้นหกมึงจะเล่นนะพะกง่ายแนตะ่ขยายนั้นไม่ใช่รับไปหมดนั่นเนี่ยจะไหวยังไงจะตายแล้วขุมอัดมันแน่นยังไงตอนนาก็ไม่ได้เรื่องเดียวลาเยอะเยอะเย S <S <S อันนี้เอาอะไรเป็นตน 4, น้นสี่ห้าโมงเย็นมีก็อย่างว่ามันแก่แล้วมีทุกอย่างดังนั้นแต่เดียวมันสุดได้ไงแก่ก็แก่แกแลงไปทุกอย่างเทต่อไปนี้ก็จะเทตไม่ได้ความจำมันกุดมันต้วนลงไป จับต้นใส่ปลาจับปลายใส่ต้นชนหน้าชนหลังไปมันเป็อย่างนั้นแล้มันก็จะได้ความอะไรแล้วจะเทศไปได้ยังไงขันมันจำนุดเพราะขันเป็นเครื่องมือของกิจที่จะทํางานขันจำรุดต้องทำงานไม่สะดวกจะพุดมากทํางานไม่ได้เนี่ย ขันขัสัญญาขันรูปขันทํางานเด่นเป็นเด่นไปด้วยกันอินญาีขันก็มีรับทาบได้ยินเสียงว่าไงเอกชนขันเทพไม่เทพมัก็เป็นังนอย่างนั้นนั่งก็เป็นนอนอยู่ก็เป็นส่วนมากมีแต่ทุกขเวทนาสุงเห็นมีในรูปขันนี่ กานมันสุดแล้วแค่ลำบากนะยกเรื่องขึ้นมาแต่และเรื่องที่จะเทนเหมือนยกสูงทั้งท่อนมันหนักมันไม่เข้งตัวถ้าคัานดีๆนี่เพราะกระดิกนี่มันพุ่งพุ่มพถ้าคัานมันพร้อมมันยังไม่ลืมเทปปุจมาคม นครพนมเขาเปิดอมะคมเขามานิมนต์เราไปเที่บอกถ้าไม่เอาท่านจุคุลไปด้วยลรวไม่ไปเราะวต้องกวนนิมนต์ท่านจุกุลพอถึงนันิมนต์ท่านไปนั่นทำมามหาบัวไปด้วยคอยไไปอี๋โอหนิมนต์ท่านแล้วนี่ท่านบอกว่าท่านไปไปพวกคุณไม่ไปแล้วท่านไม่ไปเอองั้นเหรอเอางั้นไป ท่านไม่ได้เท่เลยมีแต่เรานหะเท่ท่านจะคุณท่านประเทศเลยถ้าไปกับเราแล้วท่านปรเทศวันไหนท่านก็นจะเอาเราไปนั้นนั่นคนมาใหม่ศาลานี่ยจนแน่นแล้วท่านก็ให้เราละเท่มีระบุทุกเรื่องธาตุขันมันดีปี502 ช่วงวัน502หน้า ม, มากแล้วเกือเปิดหูเปิดตาคนไม่รู้ว่าเปิดเก็มที่น่าจะเป็นร้อยสามสิบรอยสี่สิบแต่แมาธรรมะสูงให้พอดีพอเหมาะ ก, กับพื้นเพยของคนมันยังไม่หถึงผงพผง่ง ทำได้จนมาทั้งเวลาเ ล, เล่นของมันนะพอจวนกลางเข้าไปแล้วเล่นเล่นเล่นจนเหมือนปุ่นกลนี่ชั่วโมงสองนาทีจบแล้วดูนาฬิกาเงาื่อนิแตกเปียกมุดเลยหย่อนไม่รู้รัวไม่รู้อย่างนะเง่นะงินไม่ได้ออกมาน อยู่ในไม่สนใจกับอะไรกะไรข้างนอกแต่มันมีแต่ความรู้กับธรรมสัมผัสกันยับยับยับผุ่มผุ่มี่สิทำให้ได้คิดตามผู้หญิงคนประเทศจบลงแล้วประกาศสิบถามแล้นหนะลวงพ่อวันดีนี่าะเป็นคนสำคัญอยู่ น้องคนนอนก็นมเกี่ยวก่าเรื่องศาสนาเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงอะไรที่อยากว mm hmm. ันนี้เล่าให้ฟังคของพ่อวันนี้เราถึงทรา mm hmm. บซื้อถามท mm hmm. ่านหลวงย่อเรานี่มาจากไหนจะบอกว่าตั้งแต่เกิดมาเลยนะปนัญญาอธิบดีสาน บอกว่าตั้งแต่ฉันเกิดมาฉันเพิ่งได้ฟังเทศน์วันนี้ถึงใจว่าอาจารย์นี้มาจากไหนวะถามไปกระิบถามอาจารย์มหาบัวมาจากวัดป่าบารักโอ้ก็ได้ยินชื่อห่หนแต่ไม่เคยได้ยินวันนี้ได้ฟังไปแล้วได้ฟังโดยที่ยังไม่รู้ว่าท่านคือพระ ชืว่าไงมาถึงใจแล้วเป็นันนี้ม่กว่าที่ฟังทั้งหลายทั้งหลายฟังมาเขก็ไม่อยากพูดอย่างว่าเรื่องศาสนาเรื่องธรรมนี่ก็อย่างนั้นประอย่างนั้นนม่ถึงใจไม่ถึงใจวันนี้ถึงแลววันนี้ถึงจริงๆริาก เดี๋ยนี้มันยังสว่างเงียบตัวแต่ก็ไม่เคยพูดเฮ้ยทันเทพในหมุนก็นี่ติวติวแล้วจิตจิตมันก็กยุ่มรับกันนี่ลับกนนี้แลแ้วก็ไม่เคยคาดเราไม่เคยเป็นแต่มันเป็นเองในเลของท่านที่เข้ามาในจิตอย่างนั้นนะกระแสเสียงกระแสเทศกระแสธรรมข้านี่เลยเพลนอยู่กับนั้นเลยไม่ออกไปไหนเลยจิต วานั่นนะที่ตรงไหนถูกหมดถูกหมดถูกหม ด, ก, หมดกิจมันยอมรับยอมรับยอมรับเลยมิแต่ยอมรับท่าเดียวแล้วลีเทินอยู่กับความยอมรับวางั่นคุณครับหลวงพ่วพอวันดีฟังเก็กระซิบดูกันโอ้วันจบง่ายลม่เกิดนี่เทินอยู่เลยวันปุนี้จะเอาท่า น, นเลเกตยิ่ให้ได้ วางันนะพอดีตอนเช้ามาคุณนน ด, ดีมาเล่าอะไฟังเล่ท่านจะคุณฟังด้วยนคุณกว่าิ้งแล้วออกไปนั้นกับตอบปัญหาอแหละแล้วก็บอกเรื่องตอบปัญหานี่ก็พิลกก็ถึงใจว่ทไมอาจารย์นุ้ยทำไมถึงพูดแปลกนะักวะ่ะแกพูดของแเองนั่นตอบปัญหาก็แปลกว่ะช่ก็แปลก เหมือนพวกนี้จะเอาท่านไปเทศให้ได้พอตอนเข้าวพอฉันเสร็จแล้วแกก็เป็นผู้พูดเลยขออนุโมนทนาอาจารย์เทศขอท่านเจ้คุณเจ้าคุณว่าไม่ได้แล่ะเจ้ามาหาบวัวไปนุ่นไปเทศเท่าเทนนึน่ะฉันเสร็จแล้วนดี๋ยวไปอ่ะเห็ว่างาเลยไม่ได้เทศจริงไงพอฉันเสร็จแล้ว ถ้าเท่าเทนั่นก็ไปอีแบบนั่นท่านจุกุณไม่เคยได้ยินผมเทแบบนั้นผมก็ไม่เคยเทด้วยเพราะตามสถานที่บุคคลการเทไม่ใช่จะสู่มสี่ไา้นั่นก็ออกนกันอย่างไม่เร็วครับเทแบบพบแบบขัน คนหัวเราะลั่นกันหมดกันะเล้วาก็ไม่เคยเท่เที่ยงเลยมันเป็นพวกนี้พวกบ้าบัดบ้ า, าเบอร์นั่นนะ่ะเขาก็เทียเรื่องบักเรื่องเบอร์อย่มันมีเรื่องประกอบประกอบมีขบขันขบขันขบขันน่หวงยท่านจะคุณนเรื่ขของหัวเราะตั้งแต่เริ่มเท่เพอ เ, เ, เ, เราเริ่มแล้วตั้งแต่คืนจนกระทั่งจบ เราลงจากธรรมะลงมาแล้วท่านยังหัวเราะอยู่จนไม่ลืมหูลืมตาน้ำตาท่า <c oughs> นก็หัวเราะผมก็ไม่เคยเห็นท่านหนนัวเราะขนาดนั้นและผมก็ไม่เคยเทศ อ, อย่างนั้นด้วยว<ะ>วลงมา อ, อมาหมาบัวเท่นี่ก็เป็นหรือบวับวบัวบัวหมาหบัวเท่นี้ก็เป็นอย่างนั้นนะค่อยๆเกือบตายบวัวนี่ค่อยหัวเราะตั้งแต่จะเริ่มเทศด้วย ก็้องคนมาใกล้ดีๆเจ้าเทอย่างนี้มันนั่นมันขบอกขันเราทานไหนค่อยกันมาใกล้ดีพูดทั้งพูดทั้งหัวเราอยู่นั่นแหะมาตามทางนั่งรถมาทั้งตัวหัวเราะกันมางั่นอู้ว่ขบขันเจ้าเทวันนี้เจ้าเทพบ่บัวตั้งแต่นั่นมาเลยเป็นเหมือนกับว่าเป็นนิมิตกระนามอันหนึ่งพอพอเห็นหน้าแล้วท่านจะขึ้นนี้ก่อนนีย อหมาหบัวเท่นี่ก็เป็นอ่ะแล้วถึงจะพูดเรื่องอื่นแล้วไหมเจอกันที่แรกต้องไปอย่างนี้ก่อยนหมางบัวเท่นี่ก็เป็นว่ะเนี่น <c oughs> ไม่เคยยิงเราก็ไม่เคยเท่นเท่นแบบขนาดนั้นนะอแาบบคนหัวละหกขันมันต้องมีข้อประกอบนี้อะไรก็มาไม่มีแต่ละอย่างหบขันก็ขันคนคนเรื่องคนก็หัวเละกันเต็มที่เหมือนกันเนี่ยไม่ใช่แต่ท่านเดียวกัน พอเริ่มจะจะหยุดนิด่งนิม น, ก, น, มนก่อนนิมนียก่อนนิมนียวก่อนกำลังเสียดายม่สนใจเกิดมันรูน้นดล่วงชัโมกับนหาไม่เทเ่กเหมือนเทยนนอยู่นคาปนมั้งนั้นเทตปตามสถานที่บุคคลไม่ใช่จะไปยางไงก็จะเทเลย พูดตามหลักความเนจริงก็อมองดูนี้มันก็เหมือนกับพระรัตนาพรมภมผมมาเจรโญกาแ ล, ล้วมองจะเทอดแบบไหนผมมองเพราะในสมัยตอนมันบอกในตัวนั้นเสร็จอันนั้นไม่ขึ้นธรรมะขั้นสูงเลยนะไปจนลงเบอร์ลงบ่ายาตลอดผมบอกนี่ผกบัดผมเบื่บอผมบ้านกี่ มันจะไปธรรมะไปสูงมันไม่ได้บอกมันเป็นเองพุ่งเลยเลยทางเรานี้ไม่มายุ่งเลยแล้วก็เทเดจสะดวกด้วยตอนนั้นขาดคันมันดีเสียงสดใสแจ้วแจ๋อเลยนักเที่ยวปฏิวัติเนีอ้มันเป็นคนลับคนเทีไปเหนื่อยไปอย่างนี้ อันพรุ่งนี้ผมก็จะไปกรุงเทพคุณอาอันพรุนี้จะไปกรุงเทพด้วยเกี่ยวกับร่งยานยาอันนี้เกี่ยวกับวัด<ร>ยาสสดวงหัวใจนั่นหมอเขาบาควรจะปีนารยังไงก็้หมอก็ปีนมาวัดมันมีตลอดมาไดสองปีแล้วกันแต่ยาฉันยานยมาไม่เป็นน้ําก็เป็นน้น 哎呀，让，没有你好，嗯，好